นลานพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมสุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเรื่อการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่มีความสนใจอยากจะสนทนาด้วยก็เชิญเข้ามาร่วมกันได้ถ้ามีที่ว่าง ห้องก็มีจำนวนจำกัดที่สามารถรับคนเข้ามาได้อยู่ที่ใครเข้ามาก่อนคนที่เข้ามาหลังอาจจะต้องรอไปก่อนวันนี้ก็เช่นเคยเราก็จะเริ่มต้นที่จามก็จัดที่ครับกล่านามาสการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างสบายดีแล้วค่ะ ยังทําการบ้านอยู่หรือเปล่าครับวันนี้จะมาส่งกันบ้านแล้วก็รายงานกนารนั่งสมาธิครับอร า, ายงานก่อนนะครับก็คือ น, นั่งทุกคืนครับนั่งคืนตอนนี้เพิ่มเป็นยี่สิบห้านาทีแล้วครับเออเมื่อก่อนนี้นั่งได้ได้เท่าไหร่เะก่อนนี้สิบห้านาทีครับเอยแล้วเพิ่มได้ยังไงนะก็เห็นว่าสงบค <laughs> รับเออ อยู่ที่เราใช่ไหมอยู่ที่ใจเราใช่ไหมเราจะนั่งมันก็นั่งได้ใช่ไหมครับเวลาจะนั่งต่อก็ต้องมีพุทพุทโธพุทโธพุทโธไปมันก็นั่งต่อได้หรือท้าอาการสาสิบสองไปก็ได้ครับนั่งจนเป็นเนบครับไม่เราไปสนใจน่างกายไม่ใช่เราครับเวลานั่งสมาธิเราอย่าไปให้ความสําคัญกับน่างกาย มันจะมีอาการเจ็บจากอาการคันเนืออะไรไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญขอให้เราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปแล้วอยู่กับพระบทใดที่เราใช้เป็นเครื่องกํากับใจครัพ อ, อใจนะ ร, รนการสาธิตสองนี้ก็ใช้ได้นั่งสมาธิไปแล้วพอใจมันอยากจะลุกขึ้นมาแล้วก็ท่าการสาธิสองไปไเรื่อยๆ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 เจนายอยู่ทุกวันหรือเป่าพี่เจนาครับอ่าต้องสวดทุกวันนะครับเจนา ไ, ไม่เลงอันนี้คือสิ้นทางของร่างกายร่างกายต้องไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายนะครับแต่ใจเราไม่ได้ไปกับร่างกายใจเราไปสวรรค์ก็ได้ไปอบายก็ได้ไปนิพพานก็ได้อยู่ที่เราจะเลือกไป อยาจะไปทางไหนใจเราไม่รู้เ อ, อ่ไปตา ม, ตมตเวรตามกรรมทำเวนตามกรรมเวลาทำมันก็ไปสวรรค์ ท, ทํากรรมทําบาปมัก็ไปสบาย อ, อ, อยู่ที่เราเราเลือกได้นะเส้นทางของจิตใจเราเลือกได้ แต่เส้นทางของร่างกายเราเนีมันถูกกำหนดมันตายตัวของร่างกายของมนุษย์ทุกคนเหมือนกันหมดเหมือนแล้วก็ต้องดูแลต้องเทีย่ยวม้อกันไม่ว่าจะรวยจะรั ย, จ ะ, ยจะจนจะใหญ่จะเล็กจะฉลาดจะงอกเป็นฝลั่งเป็ น, นคนไทยเหมือนกันหมดเป็นข้อจำกัดแต่จิตใจนี่มีทางเลือกเราสามารถเลือกได้ เราเป็นผู้กําหนดจิตนด้เส้นทางของใจเราได้ว่าจะไปทำไมไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้อถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราก็จะไม่รู้เราก็จะแบบที่แบบจะแม่ต์เนี่ยเป็นตามเมตตามกล ร, รมไปนี่เราดันว่าไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะไปทำไหมไม่รู้ว่าอบายเป็นยังไงไม่รู้ว่าสวรรค์เป็นยังไงไม่รู้ว่านิพพานเป็นยังไง อืมเราพยายามศึกษาอยู่เรื่อยๆนะอันนี้นต่อไปกันจะเข้าใจรับครับแล้วร่างกายเราเป็นยังไงบ้างมีอะไรอยู่ในร่างกายเรามีผมขนเล็ดฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเน้ในกระดูกม้ามหัวใจตับทางผืชไตปอด ไซ่ใหญ่ซน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยี่นในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนียวน้ำมันขนน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูดน้ำไข่เคอบน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่เค็มน้ำมูดน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหน่อ น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสล็์น้ำดีเยื่ในสมองศีสะอาหารเก้าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไ ต, ตถังผืดตับหัวใจ ม, ม้ามเยื่ในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเ ล, ล็บขนเห็นภาพของอาการเหล่านี้บ้างไหมเห็นครับ เห็นอะไรบ้างเห็นเอาไรบ้างภายในครับเห็นอะไรบ้างอ่ะอันครบอ่าเห็นอะไรบ้างอันครเห็นเห็นเงหนูงไหมเห็นครับอ่าจริงๆอิะเห็นนก็เห็นน่าใจนะก็เห็นบ้างครับเี่มาครับ โอเคพยายามมองให้เห็นนะมองมองเข้าไปข้างในเราใช้ตาของซูเปอร์แมนเอ็กซอเใช้ตาของขอพระพุทธเจ้าพูเจ้ามอบตาตาเอ็กให้เราคุณปัญญาปัญญาี่มองทะลุได้หมดกำแพงหนากี่ชั้นมันจะมองสามารถมองทะลุได้หมดที่ไหนที่แสงแสงอาทิตย์มองไปไม่ถึงปัญญาไปถึงแสงในว่าของในวันที่ยังถูกบล็อกได้ แล้งสว่างแห่งปัญญาเนี้ยไปได้ทุกทุกแข่งทุกคนครอบจกอักรวาลเนี่ยเรากำลังเรากำลังสร้างตาตาต า, ตาของของปัญญาขึ้นสร้างปัญญาดวงตาเห็นธรรมต้องใช้ปัญญาเพื่อจะเห็นธรรมได้เห็นหนสุภาพณ์เนี่ยเห็นนการสามสิบสองเนี่ยถ้าไม่ได้ปาเพร ถ้าโทรหนูไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนาหนูจะไม่รู้จักอาการทานิสสังเวชใช่ไหม เ, ออเราถามเพื่อนที่โรงเออรียนมีใครรู้จักบงไหมไปถาม็้างไม่ไมลองถามดูมอน่าจะตอบได้ไหมแต่รู้ไหมว่าเรามีอาการทานิสสัว่าร่ากายมนอะไรบ้านะอรว่าอะไรว่าธชะลาบองคนเห่นไหม ในสิ่งที่ไม่มีใครรู้ oh. เอามาไว้ดับดับความรักนะเห็นใครเห็นใครน่ารักต้องมองเข้าไปให้เห็นอาการสามที่สองเราจะได้ไม่ไม่เห็นว่าเ้าหน่ารัก oh. จะได้ไม่ อ, อกหักไม่ใช่หรอกัวเราจะ อ, อกหักไม่รัก เ, oh. เดีเยวก็ไม่รักเราเราจะ อ, อกหักเข้าใจ ไ, ไหม oh. รู้จัก อ, อกหังไหมเคย อ, อกหักไหมไม่เคยหักแล้วแบยังนะร <c oughs> ะ <c oughs> วังนะเดี๋ยวก็ถ้าไปลรักเขาเดี๋ยวเขาไม่รักเราอย่าเสียใจยนะครับ <c oughs> อถ้าไม่อยากจะไปรักเขาน้องมองให้เห็นอาการที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเราตั้งแต่หนังเขไปมีอะไร <c oughs> เนื้อเอ็นกระดูก <c oughs> ไม่ให้ต้องเฉยๆนะหันเอาไปใช้นะน่าครับขณะเห็นใข่หน้ารักน้องลองไปดูใส้ผิวหนังก็มีอะไรบ้างมีเนื้อเปล่ามีเอน็นหรือเปล่ามีกระดูกหรือเปล่าครับดีไหมดีครับน้ำประการได้ต่อไปจะไม่รักใครต่อให้เป็น Miss Universe ก็ไม่รักครับ <laughs> โอเคไม่ีคำถามอะไรไหมไม่มีแล้วครับโอเคปฏิบัติไปนะอย่าทิ้งนะของดีๆมีค่ายิ่งกว่าทรัพสมบัติเ้าของเงินทองอบโอเคไปทิตะวันต่อกลาบพระคุณพระจางครับตะวันแ่ไม่อยู่วันนี้กลับมสัระจงครับแม่เจ็ดดูรัอยู่ครับอ๋อตะวันมีอะไรถามหรือเปล่าไมจะรอให้แม่มาก่อน ไม่มีอืมอืมนนมี่มีคำถามครับแล้วมากข็มันมีครับอืมทำไีก็ก็ทนี้ก่อนนะอีกจ้ะโอเคปที่ ก, การอนพ่เชนเจนพหมอกล่ักนมสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ทธิบายมีสติเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของใจครับอาจารย์ คืยการจะมีสติดูการเคลื่อนไหวของใจได้นี่ต้องต้องสร้างมันขึ้นมาก่อนถ้ายังไม่มีสตินี่ไม่สามารถที่จะมองความเคลื่อนไหวของใจได้เพราใจเป็นธรรมที่ละเอียดมากนเนการต้องสร้างสติด้วยการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก่อนเราต้องมองให้เต้องดูร่างกายต้องอยู่กับร่างกายให้ได้ก่อนอื ตันนี้ใจเราไม่ได้อยู่กับร่างกายไม่เหนื่อ ใ, ใจไม่อยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ไปสึกไปทุกข์กับมันไปหุ่นวายไปกับมันเนี่ยเราต้องการที่จะรับความวุ่นวานความทุกข์ของใจเราต้องดึงใจให้กลับมาอยู่ที่ร่างกายก่อนให้มีสติอยู่กับร่างกายให้ได้ก่อนเพราะถ้าเราไม่สติอยู่กับร่างกายได้เราก็จะสามารถทำใจให้สงบได้ ไห้เข้าไปในใจได้ตอนนี้ใจเราอยู่ข้างนอกใจเราไม่ได้อยู่ข้างในไม่ได้อยู่ที่ใจแต่ uh huh. อยู่ที่รูปเสีงยงกลิ่นรสสัมผัสชนิต่างๆเร า, ราต้องสร้างสติด้วยการดูกายเข้าดูกายไปเรือ uh huh. ดูกายแล้วเวนั่งนั่งนั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจอย่าให้ใจไปดูรูปเสียงกลิ่นรสอย่าให้ใจไป ดูเรื่องราวต่างๆให้ดูที่บลมหาใจเพืดึงใจให้เขาเ้าข้ามาให้เข้าไปในสมาธิพอใจเข้าสมาธิได้ที่ ใ, ใจใหญ่เห็นใจแล้วเห็นอยู่หลังจากถ้ามีสมาธิแล้วทีในี้ก็สามารถมีสติที่ยจะดูจะเห็นใจได้เห็นความโลภความโกรธความหลงเห็นอริยสัจ ส, สีเห็นทุกสมุทัยที่รุ่มมากตสางอยู่ในใจของเรา พอเห็นแล้วพอฝ่ายไหนไม่ดีเราก็หยุดมันพอเห็นก่เมสโลกเวลาโลกเราใจเราทุกข์ก็หยุดมันเวลาเราโปวดใจเราทุกข์ก็หยุดมันอันนี้จะเห็นใจหน้านี้ที่เขาบอกมองจิตมองจิตอันนี้ต้องต้องมีสติมีมีสมาธิก่อนอย่างเงี้ยเขาเข้าไปมองเห็นจิตได้ ถ้ายังไม่มีสมาธิยังเข้าชานไม่ได้ไม่มีวันที่จะเห็นจิตได้แม้แต่ร่างกายอย่างงี้เห็นไม่ไม่ก็เห็นเยเห็นบ้างไม่เห็นบ้างยังก็ไปนูนป่ น, นไปที่นู่นไปที่ น, นีน่ไปที่คนนั้นไปที่คนนี้ยัต้องดึงยังจิตให้เข้ามาเห็นอยู่กับร่างกายให้ได้อี ปลูกติดกับร่างกายแล้วพอนั่งสมาธิก็ปลูกติดกับลมถ้าปลูกติดกับลมไปไม่ไปไหนอเดี๋ยวจิตก็เข้าไปข้างในก็ไปในสมาธิไปเป็นขนั้นที่กะสมาธิอัปปนาสมาธิขึ้นมาพอเข้าในแล้วมันก็จะเห็นข้างในตอนนี้ไม่เห็นข้างหนเพราะพ่อไปดูข้างนอกกันไปดูรูป ก, กันใช่ไหมไปดู y o u ยูทูบ ไปฟังเพลงกันไปกินกันไปนดื่มกันอันนี้เป็นการส่งใจออกข้างนอกแล้วเราต้องการถึงใจให้กับเข้าข้างในให้ได้ให้ใจมองเห็นใจของตัวเองมองเห็นความโลกความโกรธความโง่ความอยากได้ต่างๆมองเห็นความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจดีใจอะไรต่รางๆว่ามันเกิดจากใจของเราเองท่านเกิดจาก สิ่งที่มีในใจของเรานั้เนี่นั้นก่อนที่จะไปดูใจได้มันต้องให้ได้สมาธิก็ก็กปรนนาสมาธิให้ได้คนแต่ยังไม่ได้ดูไม่ได้มันมองไม่เห็นกิเลสมันจะคอยดัให้มันมองรูปเสียงกินรสมันจะดูได้แบบแมบบแม๊บดูปั๊บหมือนี่ก็ไปแล้ว ดูใจต้องดูตลาดเวลาเพราี่เลยมันทํางานในใจเราตลาดเวลาเข้าใจไหมเข้าใจมากขึ้นมากครับรอาจารย์กลับกับเป็อย่างสุดพวกที่สอนให้ดูจิตนี่ก็หมายถึงว่าพวกที่มีสมาธิเข้าฌานได้แถ้วแต่ยังเข้าฌานไม่ได้จิต ย, ยังไม่เข้าข้างในมันจะไม่ไมอง เ, เห็นจิตได้ไงจะเห็นแต่รูปเสียงจิตลด เห็นแต่ราบยศสารเสริญเห็นมา แ, แย่งกันกัดกันเหมือนสุนัขเขามาย่งแบบแย่งกันจัดกันก็นกอี้เห้ยโอ้เแบบงี่ยเป็นก็อี้วิเศษไงไมน่ระ้เป็นอย่างงี้มาไม่รู้กี่ยกกี่สมัยแนละ้ว เ, เดี๋ยวก็ล้มไปลนะเดี๋ยวก็ก็อี้ก็พังไนะได้มาไม่กี่วันก็พังไปแนละ้วมันก็เมือนเล่นก็อี้ดนตรีพนะอดนตรีเริ่มเริ่มขึ้นมาก็ต้องเดินอก พอด น, น, นตีอยู่ปั๊บก็รีบคว้าเก้าอี้ทันทีวันที่ไม่มีเก้าอี้ก็ตกรอบไปได้ไม่ได้อยู่ข้างในแล้วไม่มันไม่มีความสุขเพระวันวายในเวลาที่แย่งเก้าอี้กันในเวลานได้มาต้องกอดเก้าอี้กันล้วเดี๋ยวก็สูญเสียเก้าอี้ไปเดี๋ยวเขาล้มกระดานที่เข้าไปนะแต่ก็ไม่เจ็งไม่หลัะ ถ้า ล, ล้มกระดานกีรอบหรือก็กลับมาตั้งใหม่เล่นใหม่แบบมันไม่รู้มันเป็นอะไรนะมันน่าดูดเดืดนนะอดเหมืกัน อ, อีกอนะก็อีกควาจริงเราก็มีกันอยู่ทุกคนนะท่า ต, ต้องไปแยกกันทําไมเอาก็ อ, อีที่ไม่มีใครนั่งไม่ดีกว่าไม่เหน็ดไม่เหนื่อยก็ อ, อีที่บ้านเราก็มีเยอะแยะใช่ไหม นี่แหละกิเลสมันหลาอให้เราไปเห็นทุกเป็นสุขเห็นกับตาแบบเห็นคงจากเป็นดับบวัวก็เลยทุกข์ก็มืนวายใจกัไม่มีความสุขพวกที่แข่งแย่งชิงดีกันไม่สุขตรงไหนนะเห็ต้องพยายามดึงใจให้เข้าข้างหนะอย่าไปอย่าไปอยู่ข้างนอกอย่าไปอย่ามันวิ่งตามกันก็วิ่งไปแข่งแย่งกัน กิเลสมันก็จะหล่อให้ไปแยกเก้าอี้กันแย่งลาบยศสนเสริญแย่รูปเสียงกลิ่นด้วยกันได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอะได้มาเหลืองก็ผ่านหมดไปต้องหาใหม่อยู่แล้วแต่ถ้าเข้าว่างในแล้วจใจมมีความสุขมันไม่หิวของข้างนอกนี่มันจะคอยกำจัดไอตัวที่มาสร้างความหิวที่ยังไม่ได้ถูกกำจัดให้มันถูกให้มันกำจัดท้ายกำจัด ใจให้หมดไปนะนั่นแหละถึงเวลานั้นถึงค่อยไปดูใจได้กลับกับพวนอย่างสูงครับก็จะเป็ okay. นสาธารณชัยหน้ามปนงานน้ำลงไม้น้ำเหือลงมาถึงชัยหน้าแล้นีน้ำขึ้นเหมือนกันแปลกก็กลัวแต่ก็ก็ก็ ก, ก็อะไรกเกิดขึ้นองเรามันไม่เคยท่วไมไงเคยไหมบ้านเรา เ, ออเดินหนีน้ำเท่านี้เลยเก็ บ, บขอกขึ้นนะคะก็เตรียมตัวขนของขึ้นที่ส่งเลยนะได้ใช่ค่ะอะไรค น, นไม่ได้ก็ปรุงไปนะอ๋อก็คือตั้งแต่เที่ยวที่แล้วอะคะอ่ะพอรู้ว่าทั่วก็ไม่ต้องซื้ออะไรมาค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอทั่วรอีกจะได้ไม่ต้องขนอะไรมากค่ะอเอาง่าย ใช้ปัญญานะค่ะค่ะพระอาจารย์คระอาจารย์มันเป็นนี้จังไม่เที่ยมเวลานาตาเราห้ามมันไม่ได้ใช่ค่ะเหมือนที่พระอาจารย์บอกสุดท้ายก็คือว่าน้ำหนึ่งทุกคนความสบใจธด้นงนนะค่ะค่ะค่ะเติมคุณอานิสาอ่านอ่านชื่อถือก็แบบนาิตา ค้าพนิาศบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะตายนานเลยแล้วนะเจ้าค่ะอ่ามีกี่คําถามวะเนี้ยอันนี้มีสามคนถามเจ้าค่ะถามว่ามาเอาาเอคือตอนที่เดินจงกรมอ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์พยายามจะดูสภาวะปรมาร์ตอ่ะเจ้าค่ะเราก็เห็นเห็นดินแล้วก็คือมันมันแข็งเดี๋ยวมันก็อ่อนอะไรเงี้ยเวลากระทบพื้นมันแข็ง แต่ว่าลงก็มันตึงๆบา ง, งทีมันก็หย่อนเปลี่ยนค่ามันก็ตึงอย่างนี้ยเจ้าค่ะไฟก็บางทีก็รู้สึกร้อนบ้างนั่งสมาธิก็เห็นหนังตามันร้อนแต่ว่าน้ํานี่ดูยังไงล่ะเจ้าครับน้ําฉีง่ายที่เราฉีงมนก็เป็นน้ำนี่แลแล้วมันไหลใช่ไหมเจ้าคะก็เป็นน้ํำไงอะไรที่มันเป็นของเหลวมันก็เป็นน้าทานน้ำทั้นั้นอ๋ออย่างเช่นน้ําลายขึ้นมาน้ำออออาออการทายทีสองที่เขาท่องให้ฟัง มีทั้งส่วนที่เป็นดินเช่นผมขนและฟันหนังนี่เป็นส่วนที่เป็นดินใช่ไหมแล้วเราทีนี้ค่ะพระอาจารย์เราจะเห็นมันเกิดไตรลักษณ์ได้ยังไงเหรอเจ้าคะหนูก็เห็นมันอย่างมากมันก็เปลี่ยนไปเห็นธาตุอื่นบางทีจิตมันก็เปลี่ยนไปเห็นอย่างอื่นเดินไปมันก็เปลี่ยนไปเห็นความไหวบ้างรูปร่างเห็นเป็นขาเราๆบ้างอะไรอย่างนี้เจ้าคะแต่ว่าเราไม่เห็นได้เห็นไม่รู้จะทํายังไงให้เห็นไตรลักษณ์ของของสภาวะพวกดินน้ําลมไฟเหอเจ้าคะ อ่าก็ร่างกายเลาเนี้นยมันมามันทําจากดินน네้ำลมไฟไงเจ้าข่ะอ่าแล้วผมเนี่ยเป็นเป็นธาตุดินใช่ไหมใช่เจ้าข่ะอ่แล้วมันมันเปลี่ยน ส, สีได้แบ บ, บเปลี่ยนได้เจ้าข่ะอ่านั่นแหละก็เ น, นี่ยานนี้จังนะแล้วกห้ามันได้แบบห้ามไม่ได้เจ้าข่ะเราเป็นอนัตตาใช่ไหมเจ้าข่ะโอ้เพรเราไปอยากให้อยากให้มันไม่เปลี่ยนแล้ก็จะทุกข์ใช่ไหมใช่เจ้าข่ะอ่นั่นแหละเห็นไหมเห็นตายรักกันยัง เห็นแล้วเจ้าข้ออยู่หนังเราเนี่ยมันเหี่ยวไหมออกไปเหี sí ่ยวเจ้าข้อแล้วอยากให้มันเหี okay, ่ยวอ่ะไม่อยากให้มันเหี่ยวใช่ไหมอยาจ้ขอแต่เราห้ามมันได้ป่ะไม่ได้เจ้าข้อเราก็เลยทุกข์ใช่ไหมเจ้าข้อถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากเจ้าข้อปล่อยมันเหี่ยวไปอ๋อองค์ก่าของพระคุณพระอาจารย์เจ้าข้อเป็นอย่างธาสีสีร่างกายเราเนี่ยคือส่วนที่ทํำมาจากท่าสีเจ้าข้อ อคําถามที่สองเนาะค่ะบางทีรู้สึกทุกทุกแถวแถวทุกใจกลางอกเนาะค่ะแล้วก็แล้วก็เหมือนกับเราก็ดูไปเรื่อยๆแล้วมันก็ค่อยๆทุกน้อยลงทุกน้อยลงเรื่อยๆสงสัยว่าสงสัยว่าทุกมากกับทุกน้อยนี่มันมันมันเป็นความเสื่อมลงไปเป็นอ น, นิจจังหรือว่ามันเป็นทุกคนละตัวที่เกิดดับต่อกันเจ้าค่ะ มันเงื่อแต่ว่ามันถ้าเราพูดทุกทางร่างกายมันก็เป็นอันนี้จังมันเปลี่ยนไปไปมามันเสื่อมได้มันเจริญได้มันเสื่อมได้เหมือนเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ทุกข์ขึ้นมาทางร่างกายปวดศีรษะเป็นไข้แล้วถ้าพังมันก็หายได้อันนี้จากอนี้ทุกทางร่างกายอทุกทางใจก็คือเราไปวุ่นวายกับความไม่สบายของร่างกายอันนี้คือความทุกทางใจ อันนี้เกิดจากความอยากของเราเกิจากความกลัวของเรากลัวความเจ็บไข้ในปวดพอมันเกิดขึ้นมาใจเราวุ่นวายวุ่นวายถ้าไม่อยากจะวุ่นวายไม่ไม่อยากจะมีทุกข์ทางใจก็ต้องยอมรับรับความทุกข์ทางร่างกายว่ามันเป็นอนัตตาเราเปครับควบคุมบังครับมันไม่ได้แล้วแล้วไอ้ทุกข์มากเราค่อยทุกข์ใจมากลรวค่อยๆทุกข์ใจน้อยลง ทุกมากกับทุกตอนนี้มันมันเป็นจิตมันถึงว่ามันเป็นเจตสิกที่ที่เกิดดับแล้วหรือว่ามันหรือว่ามันต่อเนื่องกันมาเลยมากน้อมันก็อยู่ที่กิเลสของเราถ้ากิเลสมากมันก็ทุกมากถ้ากิเลสลดน้อยหน่อยมันก็ทุกน้อยหน่อยอ๋อแต่มันมันมีคนละดวงแล้วใช่ไหมเจ้าคะที่มันเกิดมันต้องไปสนใจกีดวงไม่ต้องสนใจสนใจวนาดูที่ทุกมันจะดับหรือไม่ดับเท่านโยค่ะแล้วยังไม่ดับก็ต้องหยุดกิเลสถ้าได้ ที่แรกก็คือความอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ไ่ปวอยากให้มันหายแต่ถ้าไม่หายเ้ยาจะทำยังไงเจ้าคะก็ต้องอยู่กับมันไปใจก็จะไม่ทุกข์้าอยากจะหายมันก็จะทุกขึ้นมาคำถามที่สามนะคะ่ะเออเวลาเกิดเวลาเกิดผัดสะแล้วเรามาดูความชอบใจไม่ชอบใจเจ้าคะอันนี้คือตัญหาใช่ไหมเจ้าคะออ ความชอบใจไม่ชอบใจนี่มันเป็ น, นยังไม่ใเป็นตันหามันเป็นมันเป็นอ่ามันเป็นอะไรนะเดี๋ยวมันเป็นสัญญาที่เราจําได้กอันนี้เราชอบอันนี้ไม่ชอบเราเคยชอบแหบนี้มาพอเจอมันแล้วก็ชอบพ oh, <no. S 1> อเราเจแบบนี้แล้วมันเราเคยไม่ชอบมันพอเราเจอมันเราก็ไม่ชอบไปไหนอ๋อแล้วมาจากสัญญ า, าจําได้ไ oh. หมรู้ เราถ้าเราเราอย่างเช่นลมกระทบกายแล้วเราชอบใจอย่างนี้แล้วอันนู้นนู่นนี่กระทบแล้วเราก็ดูชอบไม่ชอบอยู่ในใจเราแล้วถ้าชาอบ<ม>เราใจถ้าเาไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีไม่ใจเราก็ไม่ทุกข์ท่านใจเราชอบแล้วอยากให้มันอยู่ไปนานๆพอมันไม่อยู่ไปมันก็ทําให้เราทุกข์ขึ้นก็ขออันนั้นเป็นตัญหาบางอยากเวลาเจ อ, อที่ชอบก็อยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆใช่ไหมก็ขอ แต่มันไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปนานๆใช่ไหมมันไม่เที่ยงใช่ไหมต้องขออ่พอมันหายไปจากเราไปมันก็ทําให้เราเศร้าใจใช่ไหมอ๋อนั่นแหละสัญหาตัวนี้ถ้าไม่อยากจะเศร้าใจก็อย่าไปอยากให้เขาอยู่ไปนานๆไหวก็อยู่ไปตามตามธรรมชาติของเขาก็จะอยู่นานไม่นานก็เรื่องของเขาเราไปอยากไม่ได้อยากก็ทุกงั้น เราก็เห็นอยากไม่อยากอยู่เท่านี้เองใช่ไหมเจ้าเราก็ปล่อยมันไปหยุดความอยากเห็นเฉยๆเห็นว่าชอบก็้ว่าชอบแต่อยากไปอยากได้เห็นไม่ชอบก็อย่าไปอยากอย่าไปอยากทท่งมันไปอย่าไปอยากให้มันหายไปเจ้าค่ะฝึกเบรคขาฝึกสมาธิให้ใจเรามีอุเบกขาแล้วเราก็จะได้เฉยๆกับสิ่งที่เราชอบหรืไม่ชอบได้โอ้เจ้าค่ะโอ้เราอก็แค่นี้ลูก แล้วเวลาเราเฉยๆอย่างเช่นเรารู้สึกเป็นอทุกขมัสุขเวทนานี้ม nice> ันอันนี้อย่างกันอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม att ่ใช่ไม่ใช่การดับทุกข์อันนี้เป็นความรู้สึกที่เป็นกลางไม่สุขไม่ทุกข์ของร่างกายเช่นเวลาหิวทุกข์ใช่ไหมโอ้โหเวลาอิ่มก็สุขใช่ไหมโอ้โหเวลาไม่หิวไม่อิ่มก็ไม่สุขไม่ทุกข์ใช่ไหมใช่เจ้าหอ่ะอันนั้นเป็นร่างกายมันก็เป็นอนนี้จังเหมือนกัน เปลี่ยนไปเปลี่นมาเป็นเวทนาการกางเราก็ดูมันแลเวคืบางทีแล้วก็ชอบบางอย่างแเราก็ชอบบางอย่างแล้วก็ไม่ชอบก็ขอแต่เราก็เฉยๆไปเราก็ดูว่ามันก็เป็นอนิจจามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้ก็ขออ๋อนกล่าวของพระคุณท้าอาจารย์เจ้าค่ะน่าจะนะมีสามเวทนามันมีสามทางสุมทุกไม่สุขไม่ทุกก็ขอ หมายถึงทางกายนะตาม <ขอ S 1> ตาหูจมูนกนิ้วการนี่เห็นรูปรูป ก, การจะทําให้เราสุขก็ได้เห็นเรเห็นรูปแล้วทําให้เราทุกข์ก็ได้เห็นรูปแล้วทําให้เราไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้เจ้าขอล่ะเราไม่ต้องไปมีตันหาความอยากกับมันแรารู้เฉยๆแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเจ้าข้ออาจารย์สบายดีไหมเจ้าข้ออ่าก็พอพอพออยู่ได้ ธรมสะสักนิมนต์พระอาจารย์รักษาสุขภาพอยู่ไปนานๆ น, น, นะเจ้าค่ะจ้านาทุตเจา้าขอบพระคุณพระอาจารย์ยังยังปฏิบัติอยู่นะยังไม่ทิ้งนะ <Yeah. S 2> ตอนแรกทิ้งไปแล้วเจ้าค่ะเราก็ <Yeah. S 2> พยายามกลับมาแล้วค่ะ <Yeah. S 2> ใช้เวลาพอสขควร uh huh. ะของวุตดีของม่เสษนะธรรมะของมุตตเจา้าโอเคไปที่นาราทิวาตถุนุสากาปุนดิชยา มาสการธมอ า, า, า, าจารย์ยังไม่มีคำถามค่ะอาจารย์ไม่มีทัานูดเลยค่ะ<อ> ก, ก่อนนะทุกค่ ะ, ะไปที่ลูกตาชมเลยอยู่ชมเลยที่งไหนอยู่อาเภอเมืองเหรอมาสการธรรมาอาจารย์อยู่อาเภอเมืองค่ะมีอะไรไหม ไม่มีคำถามค่ะตอนนี้ก็พยายามปฏิบัติให้ได้ทุกวันค่ะคุอาจารย์อยู่เมืองชนี้ไปวันไหนบ้างอะอยู่ใกล้ๆมีวัดใกล้ๆบ้านหมหนูขับรถไปหาพระอาจารย์ที่วัดยานอย่างเดียวเลยค่ะหนูไม่ได้ไปวัดอื่นเลยค่ะคอาจารย์เออจำไม่ได้ไม่เคยมาที่วันไหนมาใส่บาตรหรือมาฟังธรรมใบฟังธรรมกับคุณแม่ค่ะอ่ค่ะ จะไปกับคุณแม่เป็นวันพระที่ไม่ได้ตรงกับเสาร์อาทิตย์ค่ะพระตางคนน้อยหน่อยนะค่ะดีอังคุณแม่เข้าว่ดได้ได้บุญได้กุศลทดแทนท ค, คุณให้้าให้กับพ่อแม่ดีที่สุดก็พอ่าพ่อแม่เข้าหาธรรมะค่ะก็เดี๋ยววันหนึ่งท่านอาจจะเป็นโสดาบันขึ้นมาก็ได้ โ, โหสาทูค่ะพระอาจารย์พยามผักดันค่ะเดี๋ยววันวันศุกร์นี้ก็จะไปส่งให้เข้าปฏิบัติธรรมสิบวันค่ะอ๋อนี่นี่วัดเหนที่วัดค่ะแต่ว่าของคุณแม่เนี่ยให้ไปใกล้ใ ก, ใกที่ที่วัดพทธันตะที่บ้านบึงค่ะอ๋อก็จะสับไปะยะหน่อยค่ะอืมดีได้เคยได้เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเป็นเป็นวัดที่มีพระและมีหน้าเชียง เ, เดียว มีทั้งสองอย่างค่ะแล้วก็มีผู้ปฏิบัติธรรมด้วยค่ะก็จะมีกุดเดี่ยวให้อยู่ค่ะหลวงพ่อท่านเชื่อหลวงพ่อหลวงพ่อสมศักดิ์ค่ ะ, <จ>ะก็จะเป็นจะเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่ออาสาภาค่ะที่ที่เป็นเริ่มต้นสร้างวัดค่ะอก็เป็นวัดปฏิบัตินะวัดปฏิบัติค่ะอยู่อำเภออะไรบ้านบึงค่ะบ้านบึงโอเคดีสาธอมีคำถามอะไรไหม ไม่มีค่ะพะจายก็กําลังกําลังแบบเริ่มปฏิบัติค่อยค่อยค่อยคไต่ไปค่ะหรือว่าแบบพยายามเพิ่มเวลาให้ได้ทุกทุกวันค่ะอ่าพยายามปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะได้ก้าวหน้านะค่ะเพราะว่าหนูแบบเวลามันมีมันมีทุกทางร่างกายแล้วหนูจะจะเครียดมากแต่น้อยมากหนก็เลยก็เลยนะลองนั่งสมาธิให้มากขึ้นค่ะเพราะว่า ความเครียดจากแบบเวลาร่างกายเจ็บป่วยแล้วหนูแบบทําใจไม่ได้เลยค่ะต้องเอาใจสมาธิตัวต่อไปตังนี้ทาใจได้ค่ะแล้วมันมันทุกข์มากจนแบบว่าจิตมันมันหม่นหมองอะไรเนี้ยหนูก็เลยลองลองเก็บนั่งสมาธิทุ ก, ท, กทุกวันดูค่ะอืมดีช่วยได้เยอะต่อไปเวลาเจ็บแค่ได้ป่วยเราก็เข้าสมาธิไปค่ะอาจารย์โอเ ค, คมีคำถามไหมนะ ไม่มีค่ะอาจารย์ข <Okay. S 2> อบคุณค่ะที่อาจารย์พรมพิไลตธมนนคุณนั่นนอโกนอยู่หอเป่าอยู่ค่ะกำลังักกรรมพระอาจารย์ค่ะกําลังเดินมาแล้วค่ะกำลังรักษกา ร, รพระอาจารย์ครับอันนี้ไม่ได้ไปไห น, อ ย, น, นอยู่บ้านกันส่วนใหญ่ น, น, นะ่ะไปไม่ไหวแล้วสังขาระ <laughs> ไปก็ใกล้ๆค่ะไม่เป็นไหนไกลคนคนรถไม่อยู่ควาปต่างประเทศก็ภาวนาเข้า้างไนดีกว่าเข้าไปเท่องโลกทิพย์ดีกว่านั่งสมาธิแล้วไปเที่ยวโลกทิพย์ไปสวรรค์ชั้นต่างๆอบ้านสบายค่ะสงบพรที่บ้านเพื่อนมาเพื่นปฏิบัติธรรมว่าบ้านมีสปายะเพราะว่าจะเดินตรงไหนก็ได้ มาดึกๆนอนไม่หลับก็ตื่นโดนจงกลมในห้องนี้ก็ที่ความฝันอ่ะแล้วดียวกลับไปหลับสบายได้อออ่าปฏิบัติได้แล้วจะเพลิดเพลินจะมีความสุขไม่ได้ไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไม่ต้องไปทําอะไรอยู่บ้านนี่มีความสุขก็อยู่ก็เรียกว่าอยู่ค่อนข้างมากเลยค่ะที่บ้านสบายค่ะ ดูดีค่ะมีอะไรไหมไม่ไม่มีคำถามเพาะก็ฟังท่านดูก็ได้ความรู้ดีนะคะก็ฟังดูว่าแต่ละท่านก็พยายามปฏิบัติกันนะเราก็ผ่านทุกโศกโรคภัยไม่เยอะก็ทำให้พิสูจนตัวเราเองได้ว่าเราก็ไปได้ระดับหนึ่งแล้วแหละนะนะเพราะว่าจิตเราก็จะไม่ค่อยไป กังวลกัอะไรก็ให้มันเป็นอย่างนี้แหละนะคะเดดดีดดรู้ความจริงค่ะรู้สัจธรรมความเป็นจริงของชีวิต <c oughs> เราก็ ย, ยิ้มได้มีความสุขได้ทุกว น, นะคะ่ะเดสาราโตอ น, นี้ก่อนนะใช่มาสกกาคุณหมอสุตัสเนยประทุมธานีในงานคุณหมอสบายดีเจ้าค่ามะมาสักการณ์ท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะ ลูกไม่มีคำถามค่ะโอเคปฏิบัติต่อไปนะเจ้าค่ะท่านอาจารย์แม่น้องเหมินกับสาธุค่ะพระอาจารย์นั่งการไม่ใช่ของเรานะอนันตานะหนูฟังอนันตาเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ประสบการณ์เยอะเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าหนูตอนแรกหนูเคยมีความสงสัยค่ะพระอาจารย์ว่าถ้า อ่าเป็นอาพาชสมองเนี่ยค่ะจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าอะค่ะพาา่อจย์เพราะว่าหนูผ่าหลายรอบอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนแรกหนูเข้าใจว่าอัลไซเมอร์เกิดจากอวัยวะมีปัญหาอย่างเดียวอะค่ะอพอมาที่ส่วตัวเองอะค่ะก็ดูว่ามันขึ้นอยู่กับพสภาวะใจมากกว่าร่างกายค่ะพาา่อจันยู่ก็อยู่กับสตินะถ้าไม่มีสติมันก็หลงลืมได้ ใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าหนูผ่าช่วงแรกอะค่ะพระอาจารย์ครั้งแรกคือหนูจําชื่อคนที่มาเยี่ยมไม่ได้เลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์<ม>คือก่อนหน้าคือปฏิบัติสวดมนต์อะไรมากลายเป็นว่าลืมบทสวดหมดเลยค่ะพระอาจารย์คือจําไม่ได้เลยอะค่ะก็สุดท้ายแต่ว่ามันค่อยๆฟื้นมาเรื่อยๆอะค่ะจะต้องปฏิบัติทำมาเรื่อยๆนะคะเหมือนกู้คืนนะค ะ, <ม>นะคะพระทางใจได้เนยค่ะพระอาจารย์ ม, มันก็เลยกลับมาอยู่กับ ภา่สภาววาจัยแล้วก็สติก็ขึ้นมาค่ะพระอาจารย์ก็เลยสติเนี่ยสคัญที่สุดใช่ค่ะพระอาจาร ย, รารย์ก็เลยได้เห็นความสำคัญขององการปฏิบัติธรรมค่ะพระอาจารย์ว่าเป็นของดีเลยค่ะก็คือการจับโ่อยเป็นอัลไซเมอร์ไม่ใช่เกี่ยวกับร่างกายร0อยเปอร์เซ็นค่ะพระอาจารย์ถึงร่างกายหนูจะพังมากแต่ว่าถ้าใจอ่ารักษาธรรมที่ดีค่ะพระอาจารย์ก็เป็นประโยชน์มากเลยนะคะพระอาจารย์ หนูก็เลยเห็นเห็นของดีคือธรรมโอสถเนี่ยแหละค่ะพระอาจารย์ที่หนูแบบโอ้โหแบบเป็นยาระดับจักรวาลนะคะพระอาจารย์ไม่ใช่ยาระดับประเทศอะค่ะเป็นยาดีมากเลยค่ะพระอาจารย์ <c oughs> พอได้มาแล้วก็ ก, กลายเป็นว่าพอหนูแบบการเจ็บป่วยเวลาหนูไปผ่าตัดหนูก็ทดลองที่ผ่าตัดมาเนี่ยค่ะพระอาจารย์กลายเป็นว่าหนูฟื้นตัวไวแล้วก็กลับมาทํางานได้ไวอ่ะคะ่ะก็เลยไม่เพราะว่ามันไม่ห่วงกับร่างกายมากอะคะ่ะ พอใจมันสุกนะคะพระอาจารย์หนูก็เลยต้องตกใจตั้งแต่หนูมาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์คือหนูชอบฝันแล้วหนูก็ชอบโพสตความฝันลงเทลงเฟซบุ๊กอะค่ะพระอาจารย์ปัจจุบันความฝันหนูหายจริงๆค่ะพระอาจารย์คือมันความคิดหายไปหมดเลยค่ะกลายเป็นมาอยู่กับสภาวะร่างกายร่างกายการขับขยับอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันทําให้แบบอมีสติมากขึ้นเยอะเลยค่ะพระอาจารย์เวลา พอได้หนูก็เลยมั่นใจเลยพระอาจารย์ว่าโอ้โหหนูได้ของดีจากพระอาจารย์ค่ะมาในการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะพรอาจารย์โ <Okay. S 2> อเคก็าย <c oughs> ามพยายามปฏิบัติให้มากๆนะถูกค่ะพรอาจารย์โอเคไปที่คุณสุพัฒนาตอ่อสุพัฒนาเนี่ยอยู่เท็กซสัสใช่รึเปล่าจับนมสัส ก, การพรอาจารย์เจ้าค่ะ <c oughs> ตอนนี้พระอาจารย์เรียกลูกสุพัฒนาลูกสุพัตราลูกเลยไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าพระอาจารย์เรียกลูกหเป่าเราช่วงนี้สติสต่างไม่ค่อยดีลู้กันเลยเอ๊เอ๊ใช่เราหรือเปล่าแล้วจนพระอาจารย์บอกว่าอยู่เท็กซี่หรือเปล่ารู้ถึงค่อยอ้าวเรานี่นะะไรพระรย์ยังอยู่เท็กซี่เจ้าค่ะเดี๋ยว เอ่อวันที่สิบเก้ากันยาเดินทางกลับไทยเจ้าค่ะจะมาอยู่ยาวเลยตอนนี้อ๋ออยู่อยู่เอ่อประมาณสามเดือนเจ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาที่นี่ใหม่เพราะว่ายังมีอะไรที่ยังต้องจัดการอยู่เจ้าค่ะก็คิดว่าปีหน้าน่าจะอยู่ไทยได้นานขึ้นก็ก็แล้วแต่ตามสถานการณ์เจ้าค่ ะ, ะค่อยค่อยไปเจ้าค่ะเมื่อวานนะเอ้าคุณแดนเนียวเขาฝากบอกด้วยว่าเขา อยากจะเข้าแต่ว่าพอดีเขาเข้าไม่ได้เจ้าหมายถึงว่าเขาติดติดบางอย่างเลยไม่ได้เข้าเจ้าค่ะแต่ว่าเขาจะพยายามพยายามเขา้ขาก็ค่ะก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นปนัญหาเข้าจะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้นะะเขาเป็นคนต่างชาติที่มีความตั้งใจแต่เผล อ, อว่าสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ด้วยไม่ค่อยจะเข้าใจเขาทีเขาจะต้องปฏิบัติเขาก็เลยต้องใช้เวลาในการปรับ ปรับความเข้าใจกับหลายๆคนอยู่เจ้าค่ะค่ะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะคกลับมาตื่นเจ้าค่ะคุณนิงคุณนิงเจริญอยวก็ทำาเก่าในมรส ก, การค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้มีคําถามเดียวเจ้าค่ะวันนี้พอดีว่าได้ยินมาว่าแต่ครั้งอันนี้เคยได้ยินมาหลายรอบแล้วเจ้าค่ะ แต่มาถามพระอาจารย์ดีกว่าเจ้าค่ะคือมีคนบอกว่าคนที่ปรารถนาพระนิพพานเนี่ยอธิษฐานไว้อ่าระวังเจ้ากรรมในเวรจะมารุมแบบว่ามารุมมารุมยำเลยอ่ะชาติสุดท้ายอ่ะบางคนก็แบบถึงขนาดแบบหมดตัวโทษนะคะเขาพูดจริงจริงแบบหมดตัวไม่สบายหรือแบบเห็นไหมพระอรหันต์แบบบางรูปยังเป็นมะเร็งเลยอะไรอย่างเงี้ย เขาเลยบอกว่าคนที่จะมุ่งมั่นนิพานน่ะจะต้องมุ่งมั่นจริงๆแบบใจมันต้องเด็ดเดี่ยวมากๆเลยถึงจะไปได้ก็อันเนี้ยเพื่อนโยงเคยเล่าให้ฟังแล้วเขาก็สุดท้ายเขาก็แบบเขาก็แบบเหมือนเลิกกับสามีเขานะคะเขาก็แบบ<ม>ออกไปเลยเขาบอกว่าเขาอะไม่ติดเรื่องนี้แล้วแล้วเขาก็เหมือนเขาว่าเขาก็แบบไม่อยู่กับสามีคือเขาก็ก็มีปัญหาอยู่แล้วแต่โยงว่าพอเขาแบบไม่อยู่กับสามีใช่ไหมเขาก็พอดีเขาแบบเป็นพวก นี่เขารียกว่าไงอ่ะเขาฝึกสมาธิมากค่ะพอเขามีลิศเขาก็ชอบไปไปทําพ้าที่ทรงกฎมกั่งไปนู่นไปนี่เล่นลิศของเขาอะ่ะพระอาจารย์โยมกว่ามันก็ไม่ใช่อยู่ดีอะ่ะทีนี้ที่โยมจะถามพระอาจารย์ว่าในการที่ว่าเราปรารถนาฟนิพานอะ่ะมันเกี่ยวไหมคะที่ว่าสุดท้ายเราคือกรรมทุกอย่างมันจะรวมกันชาติสุดท้ายเนี่ยชาตินี้เลยมันเอาแบบเราแย่เลยถ้าเราไม่ได้เดียวเราก็โดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เกี่ยวหรอกการปรารถนาฟนิพานกับเวรกรรมนี่มันคนละเรื่องกัน เวนกรรมเมื่อมันถึงเวลาจะส่งผลมันก็ส่งผลไม่ว่าจะมีปรารตนานิพันธ์หรือไม่ปัตนานิพานแธะมันไม่สนใจเลยอจะไม่เกี่ยงมันต้องคิดไปเองบรรมุไปเองเจ้าค่ะบางคนปัตนานิพานปฏิบัติเจ็มันเจ้าบรลุก็มีมันไม่มันไม่ได้มีเทไหร่เวรกรรมมันอยู่ที่เราสร้างเวรสร้างกรรมมาหรือเปล่าในอดีต ถ้าสร้างเวรสร้างกรรมไว้มันก็ต้องมาตามมาเหรอคะรำอยู่ดีอืมเจอค่ะ ไ, ไม่เกี่ยวกันอนะก็แล้วเราจะไม่รู้หรว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย<อ>หรือเปล่าแล้วเวรกรรมบรรลุหรื่าเราจะบรรลุชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนั่นก็ไม่รู้กันหรอกค่ะอันนี้คิดกันไปเองพูดกันไปให้กลัวเปล่า อ, อืมยิง่งจะแบบพิาการเข้าไปก็ยากอะไรยังพูดให้ ให้แบบพังกลัวใจหมองไปอีกคะได้เลยคนนี้สำันเดวค่ ะ, นะขคะเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ได้ฟังจากพระอาจารย์ก็เข้าใจมากขึ้นค่ะยังไม่มีคําถามแล้วค่ะกลับขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องกลัวนะเรื่องเวรกรรมอย่างข้อนิพพานเป็นคนละเรื่องกันปัตถนานิพพานไม่ปัดมันีเวรกรรมมันก็ตามมาถึงเวลามันจะตามมามันก็ตามมาเดีวค่ะสาธุเจ้าค่ะ ขอบคุณค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ผ่าฐานแข็งแรงเจ้าค่ะย่า ya, สาธ ท, ที่คุณหมอภาชนะต่ อ, อก่อนนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะวิวันจันที่ไปฟังพระอาจารย์เทก็สว่างเลยนะะอาจารย์รู้สึกดีมากมเลยเดี๋ยววันหังค้าหน้ามาะพิมพ่อไปต่อ uh huh. มาก็ปฏิบัติต่อพระอาจารย์แล้วก็เข้าใจเลิกมันเลิกพยายามทําให้ที่พระอาจารย์บอกว่าแตะแล้ววางอ่ะรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะว่ามันถึงว่า มันทําได้ได้ดีขึ้นเลื่อยๆค่ะอาจารย์แล้วก็ในสันชิกมันช่วยเหมือนกันนะคะพระอาจารย์มันนิ่งมันแบบรู้สึกดีเลยค่ะความเพลี่ยนแปลงทลายยิ่งดีความเปลีนเพลี่ยนในมาตรายิ่งดีติดใจเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าไม่คิดว่าทําทุกทำทุกอาทิตย์แล้วมันจะดีเลยแบบรู้สึกว่าพอทำทำมารู้สึกว่าหิ้วติดใจเลยรู้สึกว่ามันสงบแล้วมันดีค่ะอาจารย์แล้วไตได้วางได้ได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะอืม ทำต่ อ, ตอเดี๋ยววันนี้ก็ทาต่อวันนี้ก็ในสังกชิกต่อเดอนจงกรมมาแล้วใ่ะอาจารย์เดี๋ยววันนี้ก็ทำต่อนี่ทำเพิ่ไมไปได้ไหมนีอ่อาจารย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะพระอาจารย์สาธุจุ๊บโกเบเจนจุ๊บกลับมาสักการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีอะไรไหมวันนี้วันนี้เมื่อกี้จริงๆหนูเตรียมเตรียมคำถามไว้แล้วเจ้าค่ะเรื่องเกี่ยวกับเวทนาเจ้าค่ะ ที่ที่คนท่านเมื่อกี้เขาพูดไว้คือเวทนาก็มีคือไม่ไม่สุขไม่ทุกข์แล้วก็มีสุขมีทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์ม่ทุกข์ไม่สุขม่ทุกข์ใช่ไหมค ะ, ะหนูสงสัยว่าเวลาที่เราไม่สุขไม่ทุกข์เน่ะมันจะไปก่อให้เกิดตัณหายังไงล่ะเจ้าคะเพราะว่าเรารู้สึกเฉยเฉยอยู่แล้วอ่ะเฉยก็เบื่อไงอยากจะหาอะไรกินหาหาอะไรดูใช่ไหมอยู่เฉยเฉมันก็มไม่มีอะไรให้ มันตื่นเต้นใจมันก็มันก็อยากจะหาอะไรมาดูมาฟังมาอะไรอยู่ว่างก็ออกไปหางานทําว่าไปทําอะไรตอนนี้มันควจะอยู่เฉยๆ้วมันกลับไม่ยอมอยู่เฉยๆมันกลับเบื่ออะไอย่างเงี้ยเป็นอย่งงี้เองค่ะตอนแรกหนูก็คิดว่าเอ๊ะไม่สุขไม่ทุกข์นี่มันอุเบกขาไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยก็ค่ะก็ใช่อันนี้ความรู้สึกไม่ใช่อุเบกขาความรูความรู้สึก ที่ร่างกายไปสัมผันสนับรู้มาอาจจะรูปเสียงกลิ่นรสที่มันเป็นกลางมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกสุขรู ja. mm ้ส um ึกทุกข์เราก็เลยอยากจะหารูปเสียงกลิ่นรสที่มันเป็นสุขเนี่ยเอาไม่สุขไม่ทุกข์ก็อยากจะวิ่งเข้าหาสุขอก็ตั้หาความอยากขึ้นมาใช่ไหะถ้าเจอสุขก็อยากจะให้มันสุขไปนานๆก็ตั้หาอีก อาจอารย์ทุกข์ก็อยากใช้ทุกข์ขายไปมันก็เป็นตัญหาความใหญ่ <Okay. S 1> เข้าใจมากเนะลยเราจะค่ะ <Okay. S 3> ขอบคุณนะคะอาจารย์เวลาบางทีแล้วไม่อิ่มไม่หิวแต่คิดว่าอาหารอะไรมา ก, กินท่านหน่อยก็น่าจะดีนะคอนยินก็ไม่หิว่านทีมันก็ไม่อิ่มแต่ก็รู้สึกว่าอยู่เฉยๆแล้วมันมันไม่มีรสมีชาเนะี อขนมมากินทั้งอร่อยมากิ้วก็อร่อยกินกาแฟทั้ถ้วยเจริ ง, งด้วยเจ้าค่ะมันจะได้สุขเวทนาขึ้นมานะพอได้ได้กินเครื่องดื่มที่ถูกปากที่เราชอบก็เกิดสุกเขาเวทนาขึ้นมามเปลี่ยนเปลี่ยนจากไม่สุขไม่ทึงมาเป็นสุกเขาเวทนาค่ะแต่บางทีเราก็เปลี่ยนม่ได้กับกาแฟหมดอย่ อาจจะกินกาแฟไม่ได้กินที่ทุกข์ขึ้นมาในใจมันหงุดหงิดขึ้นมาแล้วค่ะเข้าใจมากขึ้นเลยเจ้าค่ะพระ อ, อาจารย์วิธีที่ดีที่สุดก็คือเวลาเจอเวทนาเหล่านี้ไปนั่งสมาธิดีที่สุดถ้าใจเรายังหงุดหยิดใจเรายังไม่เน่งไม่เฉยไปนั่งสมาธิดีกว่า านยยก็พสุขก็นั่งสมาธิทุกข์ก็นั่งสมาธิไม่สุขไม่ทุกข์ก็นั่งสมาธิไปนั่งใจก็จะเป็นอุเบกขาจะวางเฉยไนะอยู่กับเวทนาไหนก็ได้อยู่ก็สุขก็ได้อยู่กับทุกข์ก็ได้อยู่กัไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้แต่เราไม่ทําอย่างงั้นพอเจอทุกขกัเวทนาก็หาวิธีกําจัดมันนี่เปลี่ยนมัน อยู่ที่นี่ไม่ดีคนดา่าเราก็เดินหนีไปไปหาที่ที่ไม่มีเสียงคนเขาด่าเราเขาก็ตามมาได้แต่าาแก็ยังด่านเราเดินทำไมรูเข้าสมาธิดีกว่าสมาธิเฉยใครจะว่าใไรก็เฉยกครจะชมก็เฉยกครด่าก็เฉยพยายามฝึกสมาธิให้เยอะๆแล้วใจเราจะวางเฉยได้เค ขอบนะพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะเข้าขใจมากขึ้นเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์อขอให้พี่ธาตุขันแข็งแรงนะคะผมขอมันขอเราไม่ได้นองสไม่ได้สั่งราไม่ได้อ๋อพระอาจารย์คะมีอีกเรื่องหนึ่งที่หนูหนูพิจารณาช่วงนี้อยู่นะคะพระอาจารย์หนูพิจารณาร่างกายเราเป็นธาตุดินน้ำลมไฟนะคะพิจารณาว่าเห็นมันเกิดเกิดดับดับอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่หนูสงสัยคือหนูหนูสงสัยว่า คือหนูก็ดูไปนะคะ like, อย่างดินเน like ี่ยเรากินดินแล้วเราได้ดินดื่มน้ำแล้วก็ได้น้าสูดลมหายใจแล้วก็ได้ลมแล้วไฟอะค่ะพระอาจารย์ไฟมันมาจากไหนอะคะความร้อนของผ้าทิี่ไงใช่ไหมเราต้องอยู่ในที่ที่ไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปที่หนาวเกินไปเราก็อยู่ไม่ได้ใช่ไ แสดงว่าไม่มีธาตุไฟที่มันน่องหนาวที่เป็นมีแต่หิมะคูโ่โลกเหนือคู่โลกใต้มีคนมาอยู่นะ<ช>ที่ไหนที่มีไฟมากเกินไปก็ไม่มีใครมาอยู่อยู่ทะเลทรายต้องมา อ, อยู่ที่มันพอดีไม่ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปธาตุไฟไม่ทุกอย่างธาตุทั้งมันต้องพอดีธาตุลมก็ต้องพอดีธาตุไฟก็ต้องพอดีธาตุน้ําก็ต้องพอดีน้ํามากเกินไปก็ไม่ดีน้ําท่วมันก็ไม่ดี ก็คะ่ะอธาตุสี่ธาตุสี่แล้วในร่างกายเราอะคะ่ะพระอาจารย์ธาตุไฟเนี่ยมันหลออยย่อเลี้ยงแล้วมันอยู่ได้ยังไงอ่เจ้าคะเพราะว่าหนูนนหนูก็ก็มันอยู่เพราะเราไฟห่ผมผ้าไม่ให้มันระเหยออกไปถ้าอากาศหนาวเราก็ต้องห่มผ้าเพื่อรักษาความร้อนไ ม, ไม่ให้มันไม่ให้มันระเหยออาไปข้างนอกอถ้าถ้าถ้ามันร้อนนี่แสดงว่าธาต ถ้าถ้าไฟของเราไม่มากเกินไปเราก็ไปอาบน้ําไประบายถ้าไฟออก<ม>เต้องมีความสมดุลถ้าไฟต้องพอดีอุณภูมิประมาณ 40, 38, เท่าไหร่สี่สิบสามสิบแปดใช่มสามเจ็ดองศาพอร้อนขึ้นไปเราก็ต้องหาวิธีกําจัดนั้นเดินน้าเย็นบ้างอาบน้ํามากเปิดเครื่องปรับอากาศบ้าง เ, เพื่อปรับอ<ม>ุณภูมิความร้อยมันอยู่ในระดับที่ร่างกายอยู่ได้ อันนี้ตอนที่หนูเดินจมกลมหนูก็พิจารณาไปเรื่อยๆหนูตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ธาตุไฟนี่มันเกิดจากการที่หัวใจของเรามาเต้นแล้วมันก็เกิดให้เป็นพลังงานขึ้นมาในร่างกายหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่ใช่ไหมเจ้าคะเพราะว่าเวลนไม่ได้เป็นส่วนน้อยเวลาเรากินอาหารเข้าไปธาตุทั้งสี่มันมารวมกันมันก็เหมือนกำลังกําลังต้มอาหารมันมันก็ต้องมีธาตุไฟสังเกตดูเวลาเรากินอาหารนี่ร่างกายเราจะร้อนขึ้นมาใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็เพราะปฏิกิริยาของดินน้ำลมฝันมันมามัน ม, มันมาจอนมารวมกันเข้ากันอืาทางเคมีเขาเรียกวเวลามีปฏิกิริยาทางเคมีมันจะมีความร้อนออกมา เ, เป็นเคมีไหมเรียนค่ะอ่าจะมีผลผลผลออกมาก็คือมีความร้อนผลที่ไม่ต้องการความร้อนแล้วก็บางทีก็มีแก๊สมีนมออกมาอืมก็ค่ะ ร่างการาทั inger, oxygen, carbon dioxide, carbon ้งน่าเป็นเคมีทั้งหมดอ่ะเราจะพูดตามเคมีมันก็ไม่เคมีก็ในโทอเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนธาตุต่างๆในสมัยก่อนก็ไม่ไม่ละเอียดเขาเอาแค่เอาแค่ท่านุเอาตัวใหญ่ๆดินดินก็คือของของแข็งทั้งหมดก็ธาตุที่เป็นสิ่งที่เป็นธาตุที่เป็นของแข็งก็คือธาตุดินธาตุที่เป็นของเหลวก็คือธาตุน้ำ ธาตุที่รอนก็เป็นธาตุไฟสิ่งที่มีความร้อนก็เป็นธาตุไฟสิ่งที่ไหนเขาเอาวนไปเวียนมาพัดไปพัดมาก็เป็นธาตุนมในเราธาตุเราต้งร่างกายเราต้องบาลเวลาใช่ไหมขาดธาตุแล้วตายตายทันทีขาดธาตุนมได้กี่นาทีขาดธาตุน้ำได้กี่วันขาท่านนินได้กี่วันขาดธาตุไฟได้กี่วันถ้ากิดปัญหนาอู้จัดขึ้นมานี่อยู่ได้กี่วัน อย่าง <Okay. S 2> เราต้องมีธาตุสี่คอยเราเรื่องอยู่เรื่อยๆแล้วเราเอาธาตุเข้าแล้วเอาธาตุออกธาตุลมเข้าแล้วละละเอาลมเก่าออกไปหายใจเอาลมใหม่เข้าเอาลมเก่าออกไปน้ําก็เหมือนกันเอาน้ําเข้าแล้วปั่นน้ำน้ำเก่าเราก็ถ่ายออกมาธาต ด, ดินเราก็ถ่ายออกมามีการวิ่งสับเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเข้าๆออกนัตลอดเวลามันเป็น ปฏิกิริยาเคมีของเซลล์ขอร่างกายของร่างกายประจัยได้มากขึ้นเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ในท่านนี้มีตัวตัวเราอยู่ในท่าสีไหมครับตัวเรามีอยู่ในท่าน้ำหรือเปล่าไม่มีเจ้าค่ะอ่าต้องต้องปัญหาต้องอยู่ตรงนี้ตรงว่าไม่มีตัวเรามีแค่ดินน้ำลมไฟในร่างกายนี้แล้วเราไม่ว่ามันเป็นเาได้ไหมเรายังเชื่ออยู่เปล่ายังไม่เราอยู่ หนูไม่เชื่แล้วค่ะไม่เชื่อเลยอ่ะมันอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงตรงเงาด้วยตรงเด่นด้วยตรงลมด้วยตรงไฟไม่มีเราอยู่เลยไม่มีอะไรใช่ไหมเราไปเราไปโตขึ้นมาเองจิตก็ไม่โตขึ้นมาเองจิตก็คือตัวคิดเนี่ยมันไมู่ตขึ้นมามาครอบคองร่างกายแล้วมันก็่บรรโี่ตัวชั้นของฉัน เหมือนเราไปชื้อลต์มาแล้วก็ไปตูวเป็นรถของเราความจริงมันก็ไม่ได้ของเราหรอกเพียงแต่ว่ามันมันเป็นของที่เราเราครอบครองไว้เท่านั้นเอง<ม>เดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องจ่ายเราไปอยู่นีใช่ไหมเนี่ยพยายามสอนใจให้ปล่อยวางว่าเราร่างกายไม่ใช่เราเพื่อเราฉะนั้นไม่ไปทุกข์กับมันเวลามันเป็นอะไรเ น, นี่ยธรริจารณาทาสี ให้เห็นว่าเป็นอนัตตาใช่ไหมท่านน้าก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนท่านดินก็ไม่มีตัวตนถ้านลมก็ไม่มีตัวตนท่าไฟก็ไม่มีตัวตนแล้วตัวตนมาจากไหนมันมาจากอาวิชชาความหลงของเราเองเห <ừ> มือนคนโบราณสมัยก่อนไปว่าโลกนี้แบนใช่ไม้มโลกนี้แบนและโกงอ่ะจริง<ต><ล>ด้วยจ้ะปเพราะว่ามัน<ๆ>มองไปมันเห็นล้วมันโลกมันใหญ่มากใช่ความ ความโค้งงอของมันเลยมองเห็นยากก็คิดว่ามันมันลาบเนยแต่คนจลาจลก็บอกว่าเวลาเรือมันเข้ามาทําไมไปเห็นเสากระโดก่อนทำไมไม่เห็นตัวเรือพร อ, อ, อมๆก่อนถ้ามันลากใช่ไหมจลาว่ามันโคง้งเนี่ย <Okay. S 1> คนจลาจเข้ามานั่งคิดแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ ว, ว่าโลกที่ไม่แบโนโลกที้โค้ง นั่งเรือออกไปไม่ต้องกลัวตกขอบฟ้าตกขอบทะเลมันไม่มีขอบ<ม>คนก็เลยสามารถเดินทางไปค้นทวีปใหม่ได้คนยุโรปมานั่งนั่งเรือทุ่งไปไปเจ อ, อเมรอมเริกงมอเมิกาเนห ม, ม, มือนแล้ว ต, ต่อไปก็ออกลับมาทางเอเชียมาเจอญี่ปุ่นมาเจอจีนมาเจอเอเชียมันเจออินเดียอะไรนกเหมือนกลมนะกลมอืม เราใช <จ S 1> <ด>้ความนะคิดนี่คือปัญญาต้องวิเคราะห์ไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะโผล่ขึ้นมาเองนั่งสมาธิแล้วจิตสงบแล้วความรู้นั้นไม่โผล่ใช่ไหมต้องมาศึกษาถ้ามีสมาธิมันก็จะมีสมาธิศึกษาได้ได้อย่างต่อเนื่องถ้าไม่มีสมาธิเดี๋ยวกิเลสก็เดี๋ยวให้ไปคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้นะมันจะไม่ค่อยอยากจะคิดเรื่องเหล่านี้เราคิดแล้วไม่ได้เงินได้ทอง มชอบไปคิดเรื่องที่ทำให้มันได้เง น, นได้ท<ข>องใช่หมกินเหเม็อน<ช>อยาจะได้เลยกินเห็นเป็นอย่างได้าะลาบยศเสริญสุกรนั่นโอเคนะอันนี้มันนีมีโอกาสได้พูดยาวเนยแม่ม่านหนึ่งเดืนหน้าหมดไปข อ, ขอควาคุ้มครองอาจารย์เจ้าค่ะงานของเราเรงานกายเราเขาเรียกว่าธาตุขันไงใช่ไหมมันไม่รียกว่าเราขันใช่ไม ไว้ท่านอาจารย์อยู่ไปนานๆเนี่ย ต, ต้องไปขอท่านอย่ามาขอเราเราสัง่งเราสั่งไม่ได้แล้วเออค่ะแล้วไปสัง่งใครไปสั่งทานฉันได้ใครไปสังปส่งทานได้สั่งให้ฝน<ม>ไม่ตกแดดไม่ออกได้มันจะตกมันก็ตกมันเจ้า อ, อกแดดมันเจออ้ามันก็ออกก็ต้องยอมรับมันใช่ไหมต้าค่ะนั่นสิจะทาําไง ถ้ายอมรับมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่ยอมรับก็ทุกข์ถ้าอยากอยากปั๊บมันก็ทุกข์กันไปความอยากมันจากอริยรรสัจสี่ทีนี้อยู่ในใจเราทุกข์ในใจเราเนี่ยก็ยจากความอยากอยากให้ธาตุสี่เป็นตัวเราของเราอยู่ในการอควบคุมบังคับของเรา พอมันไม่เป็นไปตามที่เราอยากมันก็ทําให้เราทุกข์อยากไม่แก่ก็ทุกข์อยากไม่เจ็บก็ทุกข์อยากไม่ตายก็ทุกข์กันเข้าใจนะเจ้าค่ะเข้าใจมากขึ้นเลยเจ้าค่ะอาจารย์สาย <ขอ S 1> ที่ขข น, นี้เป็นสัจจริรเยเคมีเยอะแยะไปหมดไม่ใช่สิเพสันเนี่ ยายายาก็เป็นเกมีไม่เยอะเป็นธาตุเลยเกมีค่ะใช่ค่ะแล้วอาไปเอาไปทำอะไรก็ไปไปเยียวยาธาตุไปเยียวยาธาตุเสริมธาตุให้เรามาลุกดิกอยู่แถวนี้ค่ะพระอาจารย์ทําให้เอแต่ก็มีวิญญาณมีอะไรเข้ามาอยู่ด้วยใช่ไหมค่ะใช่ถ้ามันไม่มียาเนี่ยมันก็บอกข้อนี้เดี๋ยวก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาค่ะ แต่ยาก็ไปทําให้บกพร่องด้วยนะคะพระอาจารย์มันต้องจักเลือกใช้ยาใช้เ<ช>ท่ า, าที่จาเป็นค่ะใช่ค่ะยาไม่ต้องคุณไม่ั้งโทษใช่ค่ะพระอาจารย์ใช้ใช้ให้ถูกค่ะ <laughs> ใส่ไม่ถูกก็เป็นโทษต้องมีเภสัชจกรเป็นคนแนะนํานี่ย <laughs> อย่าไปชี้ร้านขายยาร้านร้านดีขายยาตีาจะจัดยาช่วยได้ พอกเป็นอย่างนี้อ่ะอยาชุดนี้ไปปวดท้องกอ็ยาชุดนี้ไปแต่ที่ไม่รู้สาเหตุของว่าท้องมันปวดเพราะอะไรไมันมีหลายสาเหตุเนี่ยอืมค่ะเหมือนถ้าให้ไม่ถูกต้องอะไรก็ตามมันก็บญาติของเราชอบซื้อยาให้เรากินไงพอรู้เราเดือดร้อนซื้อมาให้กินอยังก็เป็นหมอที่ผมเคยสที่เอาไปถวายพร ะ, พะอาจารย์กันใช่ไหมคะ อ, อ เราไม่เคยกินเลยกินไม่ได้หรอกเขาไม่ได้เป็นหมอเดี๋ยวไปกินตามเขาเรตายหนูหนูเพิ่งแซวคนที่มาซื้อชุดสังฆทานที่จะมาจัดบอกว่าที่วัดหนูเคยไปจัดให้ยาเยอะเลยนะคะยาหมดอายุเยอะแยะเลยซื้อก็ไปดูไปดูก่อนเห็นแบบหลายคนใครไปกล้ากินยาพวกนี้ถ้าหมอไม่สั่งกินไม่กล้ากินหรอก เอาแค่ยานนดๆนดไปก็พอพระาาย์เดี๋ยวจะกดขาอะประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์หนูเคยเห็นไปวัดใหญ่ๆแล้วเหมือนท่านเก็บไว้หนูไปดูโอ้ย่าเยอะมากใครก็ทบายวัดอะไรเงี้ยค่ะเราไม่เก็บว่าเราให้ทานแจกทานกันเลยอืมอันนั้นหนูหนู่เกี่วว่ามาช่วยดูหน่อยค่ะเราส่วนใหญ่จะใช้ทรรมโอษฐ์ีกวามั่นมั่นมั่นใจกว่า ธรรมะโอสวนี่รักษาใจอย่างเดียวพอร่างกายไม่ต้องรักษามันมันจะหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปแต่ใจเราไม่ทุกข์นั่นสำคัญที่สุดธรรมะโอสถดีกว่ามีไหมที่ร้านมีขายัหมธรรมะโอสถไม่มีแจกได้ต้องทำเองค่ะสูตรคุณพ่อของ ทำอวยพรคุณพ่ออยากได้รเวลาคนมาซื้อยาก็เอาหนังสือธรรมะ้าไปสักเล่มเลยวนี่เอายาต้องายารักษาใจไปด้วยอยารักษาจิตใจอันเดียวนะดีเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ทำเป็นธรรมทานไปเดี๋ยววันหลังเอามาวางวางไว้เผื่อมีช่วงใจยังยังไม่มีคํานี้ค่ะพระอาจารย์ไม่เราต้องเป็นคน จัดการให้เขาเราเป็นเภสัชค่ะไม่ไม่ถึงว่าหนูยังไม่ได้เริ่มทําเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะถ้าเราจัดได้ครับขก็ต้องนับไปถ้าระวังไว้ชี้ชัดเขาก็ไม่รู้ว่าแตอนวันนี้ต้องเอาเอายาชนิดนี้ไปไปด้วยง่อยอันนี้รักษาใจอรักษาใจนะมันไม่ได้ป่วยเฉพาะร่างกายรู้ป่ะป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจโอค่ะอาจารย์ถ้าใจถ้าใจไม่ป่วยไม่ต้องมาหายาร่างกายอยู่กกกััับมนนได้้คค่่่่่ะะทททีีาา็เขใใจจปวยุ อือั้มเพสันนี่ยังสสรจ๊ะยังยังจ่ายยาไม่ครบจ่ายแค่ยารักษาร่างกายไม่จ่ายยารักษาใจด้วยค่ะร<ช>ักษาตัวยังไม่หายด้วยค่ะพระอาจารย์ต้องแจกตัวเองด้วยดีเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามีหลายคนที่เขาก็มีปัญหาเครียดนอนไม่หลับหนูก็ให้ไปปรึกษาไปอะไรเงี้ยค่ะเอาสติสมาธิไปด้ใช้สตินั่งสมาธิอืม ค่ะนี่แหละธรรมะสดรักษาใจค่ะแล้หนูได้ไอเดียแต่มีโอกาสเอาหนังสือธรรมะมาวางไม่ท้องมาแล้วมันแล้ซื้อยาต้องต้องเอายา น, นี่ไปด้วยเนี่ยบอกเดี๋ยวเราไม่แจกจิบเลยค่ะอ<ห>ืมค<ห>่ะพระอาจารย์ของหนูก็อ่า ช่วงนี้มีมีปัญหานิดหน่อยค่ะพระอาจารย์ใช่แล้วไม่มียาไม่มียาทางใจหากับเพื่อนทุก <c oughs> ทางใจทุกทางใจเกิดแล้วเนี่ยไม่กินยา <c oughs> ทางใจไม่ปล่อยวางไม่ตรุงไม่ยากไม่ยอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปทุกข์อย่างนี้ค่ะค่ะเออแต่ปรึกษาพระอาจารย์ ขอคำปรึกษานิดนึงค่ะพระอาจารย์อย่างเช่นเราทำงานกับเพื่อนเนี่ยค่ะพระอาจารย์เราเขาจะทําในสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเกิดผลเสียหายเกิดขึ้นได้แล้วเราไม่ยอมเขาก็เลยไม่พอใจทีนี้นก็เลยเทำงานกันด้วยความเหมือนแบบไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วค่ะพระอาจารย์หนูทับไปทํากายยังไงดีก็ถ้าให้เขาไปได้ก็ให้เขาไปถ้าเขาไปไม่ได้เราก็ไปอืถ้าเราไปไม่ได้ก็ต้องอยู่เขาก็ต้องทําใจไป อืมก็คือถ้าอืมได้ก็ออกได้ก็ให้ก็ออกไปถ้าเราออกได้เราก็ออกไปอ่าโอเคงั้นที่หนูก็ออกไม่ได้เขาออกเขาไปไม่ได้เราก็ไปไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ต้องทําใจดูเขาดูมันดูก็เลยดูมันก็เลยแพ้ยกเขาอืมตอนนี้ก็ก็ก็ทําตามหน้าที่ไปก่อนอืม ก็แผนแผนที่จะมาอยู่ที่บ้านด้วยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเริ่มเริ่มแบบพอทำด้วยกันนานๆมันก็เริ่มปวดหัวได้บอกโอ้ยอะไรเนี่ยคั้นิญขายยาแท้ๆอย่างตัวเองปวดหัวได้ <c oughs> ไม่มีธรรมโอสดค่ะ <c oughs> ลืมใช้หนูก็เลยเก็ปร่งๆแต่ว่าก็รู้สึกบรรยากาศมันไม่ค่อยดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะ ก็ไม่ต้องสนใจนะคะพระ้าจาย์ก็ทําทำได้มันจะเสียเขาเสียไปเราห้ามเขาไม่ได้ก็ต้องทําใจเลยอถ้ายังต้องอยู่ร่วมกันก็อย่าไปโกรธกันอย่าไปทะเลาะกันอย่าไปให้ความเมตตาต่อกันให้อภัยกันไปแล้วก็จะอยู่กันได้ก็เมตตาต่อกันไปอภัยกันไปเริ่มต้นใหม่กันไปนะคะค่ะใช่ ยอมรับความเสียหายไปอะมันเป็นเรื่องนิจจ์ตายไปกับอะไรไปไม่ได้อยู่นี้ค่ะโทดสอบใจว่าเราปล่อยวางได้หรือเปล่าอืมค่ะเราก็เรียปล่อยให้ให้ไวๆวนะคะพระอาจารย์ให้หนูปล่อยให้ไวๆไวหนูจะได้สบายใช่ถ้าปล่อยได้ปุ๊บมันก็ไม่ทุกข์ทันทีที่ทุกข์ก็ยังปล่อยว่ายังไม่ยอมรับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะอืมยังไม่เห็นว <ใน S 1> ่าเป็นยังไม่เห็นว่าเป็นเรือนิจจ์มโนาตาน ก็ยังอยากอยู่ยังเป็นไปทำนิจจนาตาหยุดอยาพอหยุดยาก็หายทุกทุกก็หายทันทีก็คือแก้ไปตามตามตามเนื้อผ้าแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางอหรือแก้ได้แก้ไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ก็หาทางขยับขยายหลบหนีกันไปยากกันไปอยู่ด้วยกันไม่เป็นมอยู่ด้วยกันไม่เป็นมงคลยังอยู่ไปนด้วยกันเลยค่ะ อืมได้ค่ะพระอาจารย์หนูก็จะรู้สึกว่าเออหรือเรายังอะไรยังไงดีนะแต่ก็มีมีหาทางทางเลือกอื่นอยู่ค่ะพระอาจารย์ที่ mm hmm. ที่บอกพระอาจารย์ว่าจะอาจจะมา mm hmm. เปิดที่บ้านแล้วจะได้มาอยู่ดูแลคุณพ่อด้วยอะไรเงี้ยค่ะอืม mm hmm. แล้วเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องที่จะสร้างบ้านสวนค่ะพระอาจารย์วันนี้ไปแซว ค, คุณพ่อเพราะว่าคุณพ่ออายุแปดสิบบอกว่าจะกลับไปอยู่บ้านใช่ไหมคุณพ่อบอกใช่เอางั้นกุฏินี้หนูก็ขอสิอะไรเงี้ย คุณพ่อก็บอกเอาไปเลยคุณ<เ>พ<ห Superman>่อจะไปแล้วก็โอเคแล้วนะโอเคเอาเอาคุณพ่อเลยบอกงั้นเดี๋ยวต่ออีกห้องหนึ่งพ่อมาอยู่ด้วยตอนนี้อยู่กันประมาณสองคนก็อยากมาอยู่ด้วยกันอีกแล้วเดืนหน้าเดอนต่อไปจะมาอยู่คนเดียวออืคุณพ่อคงจะแบบว่าบางวันมาอยู่แล้วส่วนใหญ่จะให้คุณพ่อเข้ามาอยู่ที่บ้านค่ะพระอาจารย์ที่มีพี่ อันนั้นคุณพ่อมาอยู่แล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วสลับกันไปอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันไม่ได้ปฏิบัติทำไมไม่มีไม่มีไม่มีกุฏิทำไมไม่อยู่โทษที่บ้านด้วยกันอยู่แล้วไม่ดีกว่าตอนนี้คุณพ่อหนีไปอยู่อยู่กุฏิอยู่บ้านส่วนคนเดียวเขาอยู่คนเดียวเราก็อย่าไปอถ้าเข้ามาเราก็ไปสลับกันอาจจะบอกสลับกันอืได้ค่ะพถ้าจจะปฏิบัติทํำมันก็ต้องวิเวสเ เรามันไม่เว่เว่ไปปฏิบัติให้มันเยวเวลาทั้งอืค่ะได้ค่ะพร อ, อาจารย์ค่ะโอเคนะมีอะไรไ่มวันนี้ไม่มีคำถามค่ะโ <Okay. S 2> อเคอาธุคุณ น, นิสาสาธุคุณนิสา LA มีคนไทยที่ LA นี่มีมีจำนวนเท่าไหร่ด้วยอืมไม่ทราบจำนวนแน่นอนค่ะพระอาจารย์แต่เยอะค่ะพร อ, อาจารย์เท่าๆก็ประมาณเท่า เอเคยมีจนน่าจะได้ค่ะพราจาลูกไม่เคยแต่ว่าตอนนี้เหมือนคนไทยที่เอเอทน้อยลงค่ะอาจารย์แต่เป็นชุมชนที่คนไทยใหญ่ที่สนในอเมริกาใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนย้ายไปต่งไปพอร์ตแลนด์นะคะพระอาจารย์ไปเท็กซัสอะไรอ่ะน้องๆที่ที่เคยทํางานอยู่ด้วยกันก็ย้ายออกไปเยอะค่ะอาจารย์งานยากขึ้นเพิ่งเนี้ คือที่นี่มันค่าครองชีพมันสูงขึ้นเยอะค่ะพระอาจารย์ค่ะก็เลยคนก็ไปไปหาใช่ค่ะถูกกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่าคองชีพค่าบ้านอะไรเงี้ยถูกกว่าค่ะค่าเช่าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่ว่าหางานคือที่นี่มันมีงานเยอะอยู่แล้วค่ะพระอาจารย์แต่ว่าค่าคองชีพบางทีกับค่าแรงอะไรนะได้ไม่คุ้มเสีย ค่ะคใช่ค่าเช่าแพงมากค่ะอาจารย์อือคือตอนนี้นี่แบบค่าค่าอาหารนั่นอะไรเงี้ยคือแต่ก่อนแบบผัดแบบอาหารผัดไทยอย่างเงี้ยจานหนึงจะยี่สิบเหรียญค่ะอาจฮึมอ่าก็คือค่าแรงตอนนี้คือแบบคือค่าแรงท่ต่ำสุดกี่เหรียญค่ะอาย์สิบแปดค่ะภาษาสิบแปดเหรียญแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มีใครรับค่าแรงสิบแปดเหรียญแล้วค่ะอาจารย์ ก็คือยี่สิบห้าเหรียญยังไม่มีคนจะทําเลยค่ะอาจารย์แต่ก่อนเนะ่ยรูปแบบหาฟูชิแมนแบบยากมากค่ ะ, ะอาจารย์คือค่าแรงขั้นต่ําไม่มีใครเลยครับอาจารย์อ่าก็กลับนะว่าทำไมที่เราไ<ร>ปนั้งนั่งชามที่อเมริกานี่เราได้ค่าแรงแค่เหรียญหกสิบห้าเองท่านครับ ค่ะว่ารย์ตอนนี้มันไม่ได้แล้วค่ะทุกอย่างแพงมากๆค่ะอาจารย์แพตอนนั้เริ่มแรกที่สิบเซนอ๋อตอนนี้เป็นเมนูเซตอะไรก็สิบเหรียญถ้าขั้นต่ำาจารย์แบบแบบแฮมเบอร์เกอร์อันเดียวมันสิบเซนประมาณนั้นค่ะค่ะอาจารย์เดี๋ยวดีล้างรถก็สมัยคือมันจะเทียบกับค่าแรงค่ะอาจารย์ถ้าแบบค่าแรงสิบแปดเหรียญค่าอาหารก็จะขั้นต่ําก็สิบแปดเหรียญแต่ตอนนี้คือ ยี่สิบเหรียญค่ะพระอาจารย์คือตอนนี้แบบก็ไม่ทุกคนก็เลยแบบไม่ไหวไม่อยู่ดีกว่าเอ็มทำไมก่อนก็มีอาหาร all you can eat หนึ่งเหรียญในยินดานมีไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะพระอาจารย์น้อยมากค่ะน่าจะอยู่ทางไม่ทำหน่อยไม่คุ้มค่ะพระอาจารย์ไม่คุ้มนะไม่คุ้มค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะ ไม่คุ้มค่ะอาจารย์เว้ยไม่มีแล้วค่ะน้อยมากค่ะเหมือนอจะไม่เห็นแล้วค่ะอ่าอ่ า, านได้เต็มที่หนะึ่งเหรียญนะทำไมนะค่ะตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะหาหน่อยน้อยมากอาจจะมีทางโซนเอเชียค่ะาาอาจารย์ก็สําหรับลูกก็ไม่ไม่ได้มีคําถามอะไรค่ะอาจารย์ก็ก็ยังปฏิบัติ Ar, เ, รเรื่อยๆค่ะปฏิบัติไปต่อไปอะค่ะพระอาจารย์อย่าทิ้นงนะรักษาระบบการปฏิบัติไว้ไม่ไม่ไม่ทิ้งค่ะเพราะเพราะว่าถ้าหายไปแล้วเริ่มใหม่มันมันเหนื่อยค่ะพระอาจารย์มันเป็นเป็นเข่าขึ้นมาขนาดนี้แล้วเราต้องกลับเดินลงไปนะค่ะพระอาจารย์ขึ้นมาใหม่ก็ต้องเหนื่อยเคยเ<ๆ>คยมีประสบการณ์แเราแบบทิ้งไปแล้วมันกลับมาแล้วมันยากค่ะพระอาจารย์ต้องเริ่มต้นใหม่เหนื่อยแล้วมันค่ะพระอาจารย์ ก็ค่ะก็ปฏิบัติต่อไปค่ะอ่สาธุค่ะขอให้พระาจาร์ทัดแข่แข็งแรงค่ะคุณนุ๊กนกผูเก็โอ้ผู้เก็พี่แกน้ำเปล่าน้ำัตสกาดให้พระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจาร์สบายดีนะเจ้าค่ะไม่ไหนมานี่ไม่เห็นหน้าอะไรอาจารย์ ขึ้นไปบนเขาสิบคืนเจ้าค่ะแล้วก็เาพอกลับลงมาก็พอพอดีว่าค้างอยู่กับพี่แล้วก็หลานเจ้าค่ะก็เลยไม่ไม่สะดวกเข้าเจ้าค่ะอาทิตย์ที่แล้วดีไหมอยู่บนเขาดีไหมดีเจ้าคะ <ai> ่ะพระอาจารย์ <ch aren> แต่ก็เห็นเห็นความดื้อของของตัวเองไงเจ้าคะ <ai> ่ะภระอาจารย์ยังมีความรักตัวปวตายอยู่เจ้าคะ <ai> ่ะพายอาจารย์ส <ch aren> อนว่าให้ยอมตายแต่บอกว่าพอไปนี่ลูกเจ้ข้อสอบ เจลิงจ้ะคะาค่ะอาจารย์อพรูปเป็นคนที่กลัวลิงจ้าคะ่ะพอดีลิงมาเลยมีความตกใจอย่างนี้เจ้าคะ่ะเจลิงปีสามวันแล้วก็เจคุณทวดคุณทวดคุณทวดตุ๊กแกมาให้เสียงต่อนเลยเจ้าค่ะพอาจารย์มาให้เสียงตั้งแต่วันแรกตอนแรกคือ ย, ยังยังไม่รู้ว่าเป็นตุ๊กแกอะไรอย่างนี้จ้าคะ่ะมาให้เสียงตรงบนหลังคาซึ่งซึ่งอะไรอย่างนี้ตั้งแต่ตอนกลางวันลูกก็ไปเชิงรู้ว่าเอ๊ะมีกิ่งไม้กิ่งไหนที่มาโดนหลังคาไว้หรือยังก็ไม่มีอะไรอย่างนี้เจ้ะค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็น ไม่จริงจบ ก, ก็ตุ๊กแกหรือไม่ก็ข้างเ้าอะไรอย่างนี้ค่ะอย่พอดีว่าเขาส่งเสียงได้แต่ตอนกลางวันเจ้าขพายจานตอนกางคืนก็คือไม่ไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่แล้วก็เจนงูได้เจ้าขาพายจานรอบนี้เจอข้สอบสายเรงเลยเจา้าค่ะงูก็มาช่วงหัวรุ่งอะไรอยา่างเจ้าค่ะก็เจอไฟดับแล้วก็น้ำไม่ไหลอนีจจังเจออนิจจังเจอของพามาไม่ได้ก็ขาพาจานจังัน<ง> แต่รอบนี้ก็เหมือนกับนะคะ่ะใจเราไม่ทุกข์กับมันก็แล้วกันก็ไปไปไปไปฏิบัติเพื่อดับความชุกทางใจจะเจออะไรก็ต้องะะไม่ทุกข์กับมันนะคะแต่มีแอบเจ้าค่ะพระอาจารย์มามารู้กําลังของกําลังของตัเองได้มากขึ้นนะเจ้าค่ะว่าเรามีกําลังขนาดไหนเลยกะคือลูกอะ่ะชอบอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวได้เจ้าค่ะแต่พอไปอยู่บนเขาเนี่ยตอนที่เจอไฟดับเนี่ยเอารู้สึกว่า ยังยังอย่างน้อยขอให้แบบว่าเรีอนข้างๆมีคนอยู่ก็ยังดีอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์แต่มีความรู้สึกที่ว่ากลัวที่จะอยู่บนเขาคนเดียวเจ้าค่ะอาจารย์ยังที่ว่าเอ๊ะคือนี้เราอยู่คนเดียวหรือเปล่าเรีอนข้างบนเขากลับไม่ยังอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์เลยเลยเห็นตรวนี้ว่า้าเรายังยังเหมือนเหมือนเด็กหัดยืนจริงๆเลยอะค่ะพอาจารย์ยังต้องการที่เกาะยังคิดว่าคือไม่ต้องมายุ่งกันนะแต่เห็นกันก็ยังดีอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์ แล้วก็ยังยังมีความแบบว่าอยากให้ไฟถนนติดเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่ามันมืดอะไอย่างเงี้เจ้าคะ่ะเพราะว่าถ้าไฟตรงถนนติดเนี่ยลูกก็จะปิดไฟแล้วก็ปฏิบัติอยู่ในห้องได้คือกําลังของลูกที่ขึ้นไปรอบเนี้ยเจ้าคะ่ะคือได้แค่แบบปฏิบัติอยู่ในห้องเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ไม่ไม่กล้าที่จะออกมานอกเรียนพักตอนกลางคืนตอนมืด ม, ด, มดอย่างเงี้เจ้าคะ่ะก็ได้เห็นกําลังตรงนี้เจ้าคะ่ะแล้วก็ มีแต่มีความความกล้าจะนนี้ว่ายังเปิดม่านประมาณเวลาตีสองตีสองกว่าตีสัมกว่าก็จะเปิดม่านตรงหัวเตียงเลยนี้จ้าค่ะอาจารย์ก็จะยังเปิดม่านตรงนั้นเลยไปเจ้าเอกคุณงูหลังจากฝนตกได้พระอาจารย์พอปอบเจ้าเอกไปเอางูอยู่ตรงเลื้อยอยู่ตรงม่านตรงข้างนอกตรงเรือนพักตรงหัวเตียงอะจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เขาเลื้อยมาพอดีแล้วก็มันมันตกใจน้อยกว่าเจอเจอลิงเจ้าค่ะพระอาจารย์ดูว่าเขาจะไปทางไหนอะไอยนี้เจ้าค่ะ พอเขาไปแล้วเขาเลื้อยกลับมาก็ไปคิดแบบมันก็มีความรักตกใจเจ้าค่ะพระอาจายที่ว่าเขาจะเข้ามาทางไหนหรือเปล่าขเขาย้อนกลับมาเขาจะเข้ามาในเรือนไหมอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะเพราะว่าตรงจะมีบานเกล็ดตรงตรงซ้นลังจานนะจ้าค่ะอาจารย์เขาปิดมันไม่สนิทแล้วมันมีช่องอยู่อะไรอย่างนี้จ้าค่ะถ้าเขาจะเข้าก็เข้ า, ขาได้ลูกก็เลยเอาสเปรย์กันยุนที่เป็นตะไคร้หอมมาเลยพื่นนเจ้าค่ะอาจารย์ไปฉีดตามช่องอประตูหรือว่าหน้าต่างกันไว้ไม่ให้เขาเข้ามาอะไรอย่างนี้จ้าค่ะอาจารย์แบบนี้ลูกจะบ่าไห้เจ้าค่ะ เหมือนจะทาอะไรแต่ละทีจ้าค่ะคคือมันอมันเหมือนรักตัวกรายอย่างงี้ใช่ไหมเจ้าค่ะกรใจพยกลัวเขาจะมาทาอะไรหรอเจ้าค่ะกเข้ามาแบบจะเข้ามาเลยอ่ะเหมือนมดเหมือนยุงอะไรเงี้ยลูกก็จะพยายามเอาตะไคร่สเปรตะไคร่เนี่ยไปฉีดตรงประตู ตรงขอประตูขอบหน้าต่างเพราะว่าเขาจะได้ไม่เข้ามาแล้วเราจะได้ไม่ไปจับเขาไปโดนเขาอะไรนี้ด้วยเจ้าค่ะพอาจารย์เหมือนคุณทวดตุ๊กแกด้วยเจ้าค่ะเจอตอนแรกสองวันยังไม่เห็นตัวเจ้าค่ะพอาจารย์เก็เอ๊อยากเห็นหน้าตาเจ้าของเสียงจังเลยตอนเย็นอีกวันมาทันทีเจ้าค่ะพอาจารย์แล้วบอกว่ามาตรงตรงในห้องน้ําใช่ไหมเจ้าค่ะคือมีเขาปีนข้ามข้ามกระจกในห้องน้ํามาเจ้าค่ะพอาจารย์มีแค่มุงร่วดเนี่ยกั้นกั้นไว้เจ้าค่ะูุกมุกคิดว่ แ, แรกไม่รู้ว่าเอ๊ะเขาจะเข้ามาไหมก็เลยเอาสเปรย์ไปฉีดตรงแถวพื้นข้างหน้าให้เขาได้กลิ่นเพื่อว่าเขาจะได้ไม่เข้ามาเลยรเงี้ยพอวันรุ่งขึ้นเขาก็มาอีกเจ้จาค่ะอาจารย์อ้าวคือาสงสัยเขาร้อนเขาก็เลยมาอย่างเงี้เจ้าคะ่ะอยู่เป็นเพื่อนกันก็เลยไ ด, ได้ได้อยู่กับคุณทั่วเจ้าค่ะอาจารย์มีมาปลุกมีมาปลุกให้ล <laughs> บางทียังไม่ถึงเวลาลูกเขาก็จะแบบมีส่งเสียงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์เอาเสียงติงต้งๆอยู่บนแบบบนฝ้าเพดานอะไรอย่างเงี้ยเจ้า ค, ค่ะลูดคิดว่า ที่จริงหนาถ้าไปรอบนี้ยถ้าลูกไม่ไม่ได้ยินเสียงได้แต่ตอนกลางวันใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์แต่ถ้าเข้าส่งเสียงตอนกลางคืนเป็นเสียงบนเพดานเนี่ยลูกก็อาจจะมีความกลัวนะเจ้าค่ะแต่พอดีว่าเขาเขามีส่งเสียงตึ้งตั้งมาตั้งแต่ตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะพอพอเห็นตัวเขาไม่ไม่เห็นตัวอยู่สองวันเนี่ยก็คาดเดาไปต่างๆนานาพอเห็นตัวเขาแล้วก็เลยไม่กลัวเจ้าคะเพรว่าเอออยู่เป็นเพื่อนกันอะไรยเงี้ยเจ้าคะก็รอบนี้กลัวเจ้าค่ะ ต้องต้องตัดชอนกลัวไปให้ได้ด้วยการยอมยอมรับอะไรจะเกิดก็เกิดจะค่ะมันมันยากมากเลยเจ้าค่ะอาจารย์เดือมันเห็นชัดว่ามันยังไม่ยอมตายอย่างงี้เจ้าค่ะมันมันแล้วมันก็ยังหลงอยู่สมาธิอย่งายงน้อยก่อต้องฝึกสมาธิให้มากกว่านะค่ะเราลูกต้องทํายังไงถึงจะว่าอยากจะกลับเรียนถามท่าอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าถึงจะ เพิ่มความเข้มแข็งความหนักแน่นในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรให้มากขึ้นนะเจ้าค่ะอาจารย์ต้องฝึกสติทั้งวันตั้งแต่เรียนตาาขึ้นเลย่ไหมใช่ค่ะถ้ามีสติแล้วทุกอย่างจะตามมาศีลสมาธิปัญญาใช่ค่ะค่ะแต่ <Okay. S 2> รอบนี้ลูกได้มีโอกาสเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอกล่าวเพียนนิดนึงเจ้ค่ะได้ได้มีโอกาสลองงดผ่อนอาหารติดกันสองวันเจ้าค่ะพ่ อ, อนอาหารคือไม่ทานสองวันติดกันดู แล้วก็ทีเนี้ยเหมือนกับว่าเออร่างกายเราจะเป็นยังไงพอพอผ่ออาหารสงวันเนี้ยแล้วมาเดินจีนงพรมเนี่ยจะไม่ค่อยมีแรงจ้าคะ่ะแต่กําลังสติก็พอมีอยู่แล้วทีนี้กลับมาทานได้วันหนึ่งแล้วก็กลับไปกลับไปลองเนสชิกอยู่สองคืนจ้าคะ่ะพายาอาจารย์แต่ไม่ได้ติดกันนะเจ้าคะ่ะก็คือในสชิกคืนหนึ่งปุ๊บสัว่าคืนคืนนี้ยเนสชิกจนตั้งแต่ตอนเย็นถึงหกโมงเช้าวัวนรุ่งขึ้นอะไงเงยจ้าคะ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าร่างกายมันก็ง่วงก็นอนสักสอชั่วโมงกว่าแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยลูกก็ผ่อนอาหารต่อหนึ่งวันอย่างนี้เจ้ะค่ะแล้วก็ในในวันนั้นเนี่ยจะลองฝึกนั่งนิ่งๆดูเจ้าค่ะอาจารย์รู้สึกว่ากําลังสติะมีเพิ่มขึ้นเจ้าค่ะช่วงที่ฝึกนะเจ้าค่ะคือต้องออดนอนอดนอนมาก่อนคืนนึงแล้วก็วันรุ่งขึ้นต้องผ่อนอาหารด้วยอยนี้เจ้าค่ะพอมาฝึกนั่งนิ่งๆแล้วรู้สึกว่ากําลังสติเนี่ยดีขึ้นเจ้าค่ะก็เลยพออยู่กับคำบริกรรมได้บ้างนี้เจ้าค่ะไม่ไม่ ความต้องการที่จะบอกว่าใช้ร่างกายมันก็น้อยลงอะไรเงี้ยจ้ะค่ะอืมก็ดีอ่ะการปฏิบัติเหล่านี้ก็เพื่อเสริมสตินั่นเองถ้ า, าอยู่สบายสบายเราก็จะขี้เกียจแต่พอเราทุกขไม่อยู่ไม่สบายแล้วต้องใช้สติคอยมาระ ง, งับความทุกของเราเจ้ค่ะอืมดีแล้วแหะพะยายามฝึกต่ อ, ตอไปนะจ้ะจะค่ะลูกอ ย, อยากกลับมาปฏิบัติที่บ้านต่อจ้ค่ะพระอาจารย์อย่างการอดนอนเนี่ยแล้วก็มาผ่อนอาหารเนี่ยแต่ ค่อนข้างจะยากเพราะว่าเหมือนแฟนเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรนี้จ้ะคะเหมือนตอนที่ลงเขามาเนี่ยหนุไปพักกับหลานและพี่สาวอยู่ด้วยใช่ไหมเจ้าคะ่ะก็เขาก็จะไม่เข้าใจเรื่องลูกทันเข้ามือเดียวเพราะแม่ก็เป็นห่วงกันเขาเปรียด ก, กันที่ลูกผอมจป็นน้ำหนักบอกว่าตอนนี้เหลือประมาณสามห้าสามหกสามเจ็ดไม่เกินนี้เจ้ะคะาค่ะพระอาจารย์เขาก็เลยเครียดลูกก็เลยยอมแสารน้ำว่าผิดกับพระอาจารย์ว่า มีผ่อนไปสามวันเลยเจ้าค่ะทานทานข้าวอะยเจ้าค่ะคืทานเป็นแบบลาศินข้อหกไปเลยเจ้าค่ะเหมือนวันนี้ก็ยังมีมีมีทานสองมื้อเจ้าค่ะตอนเช้าพอดีว่าข้องไม่เป็นลมเนี่ยเราไปเคาะประกันที่เขาไม่ปฏิบัติมก็เลยถูกเคาลากไปควอนที่งแล้วน่าจะลากเข้ามามากกว่าแล้วกับถูกเคาลากไปมันจะชวนเข้ามาเก็บอดข้าวตอนนอจะดีกว่าบอกอดข้าวแล้วดีนะกลับไปกลับไปให้เคาะลากเรากลับไปทนายว่ากิเลสเรายัง อาจารย์คือยากมากเลยจะาั่ะคือถ้าถ้าปีกันต่อคือจะกลายเป็นว่ามันจะทะเลาะกันอย่างนี้จ้าะทะเลาะไปเลยก็เห้าอนทำ็มต้องทะเลาะกันน่ะคุณอยากินสองมือก็กินไปคุณยากินสามมือก็กินไปฉันจะกินมือเดียวให้ก็ไมนจะต้องมาทะเลาะกันตรงไหนคือเขาว่าเขาเป็นห่วงมากแล้วพี่ก็เหมือนจะพอพอปีกันไปหนึ่งกันมาเขาจะไม่กินเข้ากินมาอย่างนี้มากินนี้มันต้องกี่วันก้าวหนึ่งเป็นอะไรเลยอ่ะค่ เนี่ยท่านพุทธเจ้าบอกให้ไปรู้จักคบคนอย่าไปคบคนที่เขโง่กับเราถูกเขาเดึงไปให้ให้โง่ด้วยให้คบกับคนที่ฉลาดกับเราเขาจะดึงเราไปทางฉลาดเพราะว่า เ, เหมือนตอนนี้นะลูกอ่ะมืดเจ้าค่ะพระเจ้าข้าหนูขออวยนิดนึงเจ้าค่ะหนู อ, อยากหนักแน่นในการทานมื้อเดียวให้มากกว่านี้เจ้าก็อย่าไปอยูอ่กับคนที่กินสามมื้อเนีอยู่ มี <c oughs> คนที่กินมือเดียวถามวขาว้าอ่าทำไมไม่ได้คุณคุณไปหาเขาเองไม่ใช่เขามาหาคุณที่ไหนหรอกคือเหมือนเหมือนตอนเนี้ลูกกลับมาที่ภูกเก็ตแล้วจ้ะคะ่ะเพราะว่าแต่ว่าที่บ้านเนี่ยก็จะมีอยู่กันสี่คนเลยเี่ยค่ะก็ลูกจะเป็นคนเดียวที่ทานวีเดียวและทีเนี้ยคือตอนนี้เหมือนโดนกดดันมากจ้ะค่ะไม่ว่าะจะไปทางไหนเนี่ยคนที่เคยเห็นลูกน้ําหนักไม่ได้น้อยเท่านี้เนี่ยเขาพอเขาเห็นเหมือนไปวา่าเมื่อวานก็เหมือนกันก็มีแต่คนทักว่าผอมไปไหมผอมไปไหมอะไร มีแต่คนทักอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ความกดดันจากคนรอบข้างนี้แบบเยอะมากเจ้าค่ะเพราะว่าเขาเคยก็เป็นข้อสอบของเราแตสอบผ่านหรือไม่ผ่านเจ้าค่ะแต่ก็ยังหนักแน่นอยู่เจ้าค่ะแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวดูสภาพร่างกายว่าถ้าออกพรรษาไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีผลกระทบที่แบบว่าจะทําให้เราไม่ปฏิบัติทําได้ก็เดี๋ยวค่อยกลับเรียนอีกทีแต่แต่ลูกก็ยังเหมือนเหมือนพระอาจารย์พูดเจ้าค่ะเราขึ้นเขามาแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ พอกลับไปอย่างนั้นมันก็เหมือนเราปีนลงกลับไปอย่างนี้จ้าค่ะอาจารย์ต้องปีนขึ้นมาใหม่อย่างนี้เจ้ะค่ะอืก็จะจะยังพยายามกลับมารักษาตรงนี้ให้ได้จ้าค่ะถ้าจะไปทางนี้ต้องต้องไปคนเดียวเป็นตัวยิ้มของใครตัดให้หมดเพราะไม่ไปกับเราเราก็จะดึงเราให้กลับไปกับไปกับเขาถ้าเราไปคบค้าสมาคมของเขาเดี๋ยวก็ดึงเรากลับไปอยู่เขานะคะแล้วเหมือน อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์อย่างลูกอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจเนี่ยลูกควรจะเงียบใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เคไม่ต้องไปอ<ม>ไปพูดอะไรแล้วก็มือเดียวก็มือเดียวของเราไปเลยหนักแน่นในมือเดียวไปเลย จ, ลจะพร้อมอะไรก็ช่างใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์จากคนอื่นจะพูดยังไงก็ช่างเัินเราไมาห้ามเขาไม่ได้เขาจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปจะค่ะ <c oughs> เราจะกินอะไรแเราเขาห้ามเราไม่ได้เห็นไหมจะค่ะก็ไม่ไม่ตะ ก, กีเ้เลยเราที่มันจะมาห้ามเราไม่ให้กินมือเดียวไม่ใช่ใครหรอก เรามีคนอื่นทักหน่อยที่เล่นแล้วได้เกางเลขครับอาจารย์มันเข้าทางนะเจ้าค่ะอาจารย์กางทางกาเลยปเลยปดเกียร์ไปสามวันได้วยความอยากของตัวเองด้วยเจ้าค่ะอาจารย์แล้วก็ความความกดดันแล้วก็คนรอบข้างด้วยเราเป็นโทษของเรากดดันเราความจริงทีเดียวของเราเนี่ยกดกดดันเราความอยากของเรานั่นนวลปวดเกียร์เรื่องขนมหวานได้เจ้าค่ะอาจารย์ทีนี้ก็ได้ได้ทีเลยคนนั้นคนนี้เอามาให้ก็ไม่ปฏิเสธเลยเจ้าค่ะทีนี้ ไม่ต้องกลัวดูพระเจ้าข้าวสี่สิบเก้าวันยังไม่ตายเลยเราอนได้กินแค่วันละเมืองจะไปตายได้ยังไงไม่มีวันตายหรอกรับประกันได้จ้าค่ะก็จะรักษาตัวนี้ไว้จ้าค่ะอาจารย์จะได้จะได้หนักแน่นให้มากประเดิมจ้าค่ะแต่ก็ยังเต็มทางอยู่นะจ้ะค่ะอาจารย์ทั้งเต็มทางล้นทางก็จ้าเขาจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกสักหน่อยไหมจ้าค่ะหนักแน่นในทางของเราอย่าให้คนอื่นเขาดึงเราออกนอกถังเอ กลับครับพระคุณเวียงสุนเค่ะน้องกลับสธนน า, า, าธุเจค่ะอคาธุต่าคมิกาเาลาที่ว่ากับน้ำมัสการเจ้ากับว่าอาจารย์ค่ะก็เมื่อกี้กนี้ก็ของน้องเขาพูดถึงเรื่องของการว่าการทานข้าวไม่ครบมือ้อนะครับอาจารย์ อลูกก็เดาเหมือนกันค่ะพอาจารย์แต่ว่าอตัวผมทุกคนก็ทักว่าเออไม่ตัวผมจังอะไรวะแต่ว่าพอเราอย่าไปยินดียินร้ายก็ก็โอเคค่ะพอาจารย์ก็น้องๆหรือทุกคนก็ก็ไม่สนใจเราเนี่ยนานๆเขาเขาก็ไม่สนใจค่ะผขไม่จะปล่อยคือเขาบอกว่าเขาปล่อยเลยเขาจพูดอะไรเขาปล่อยก็พูดไปเราหนักแน่นในทางของเราก็พอใช่ไหมใช่ค่ะพอาจารย์อก็คือในความรู้สึกว่า เขาก็ว่าเรานี mind, ่ม well ันตึงจนไปหรือเปล่าตึงก็ตึงมันไม่องของเราไม่ได้ไปขอข้าวเขากินขนาดนี้ใช่ค่ะพระอาจารย์แลก็เลยก็ก็ยอมก็ยอมแต่ว่าก็ชินแล้วค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็ชินชินนี้การที่ว่าที่เราจะอยู่อย่างนี้ออพอใจที่จะอยู่อย่างนี้ทั้งเรื่องของเราใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณแม่ก็ไม่สบายก็ต้องไปอยู่กับคุณแม่ก็ อาทิตย์นี้คุณพ่อล้มแล้วข้าโรงพยาบาลก็ตอนนี้ออกมาแล้วก็โอเคต้อง ก, ก, ก็มาดูแลคุณพ่ออยู่วังนี้ก็พยายามที่จะดูพิจารณาดูว่าความไม่เที่ยงเกิดแก่เก็บตายสัจธรรมของชีวิตคะ่ะอาจารย์ก็ทำให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันไม่แน่นอนเลย ทุงอย่า ง, งชิงใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาใช่ค่ะพระอาจารย์บางสิ่งบางอย่างนั้นเราหวังหวังหวังลูกมุงที่หวังว่าจะทําอย่างนั้นทำํำในนี้ทำในโน้ น, นแต่เราก็ไม่ได้ดั่งใจที่เราหวังก็เ ร, เราต้องวางลงวางวางที่เคถามพระอาจารย์เมื่อหลายๆเดือนที่ผ่านมาว่า การปล่ of of อยวางนั้นเป็นอย่างไรพอโดนข้อสอบในลักษณะอย่างนี้นะพระอาจารย์รู้สึกว่าใช่เราต้องนิ่งเราต้องไม่พูดเราต้องทําใจให้เราสงบจริงๆโดยออกจากหัวใจของเราจริงๆแล้วเราก็จะคือคล้ายๆกับว่าเราไม่หลอกลวงตัวเองแล้วเราจะมีความสุขมากการนิ่งถูกต้องดีมากโอเค ลราไม่มีคําถามแล้ววันนี้มตามอาวุธท่านบอกว่าท่านเกรงใจทำท่านไม่เกรงใจคนใช่ไหมถ้าเกรงใจคนทําก็แหละถึงว่าใช่ไหมเกรงใจคนทําก็แหลกเคยเคยกินถือสิีลตายก็ต้องกลับไป็ถือศีลห้าเพ่าะเกรงใจคนเ้าเกรงใจทำแล้วก็รักษาศีลตาของเราไปใครยรักษาศีลห้าเขปล่อยก็รักษาเข้าไปก็ แต่ว่าเอามีคําถามอา่าไม่มีคำถามก็ได อ, อ่านที่ปายความรู้สึกตรงนี้หน่อยหนึ่งว่าเฮ้ยถือเส้นแปดมันแบบคือคือเขามองเราแล้วถือเสี้งแปดก็ก็แบบว่าฮึ่ยไปก็ฮึ่ยไปก็คือหมายถึงว่าตอนนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าถ้าถ้าปกติแล้วน่ไปอยู่กับคุณแม่ก็คือต้องไปทําทําสวนคือไปปลูกผักปลูกอะไรแล้วก็เแต่ว่าเออตัวดําก็ตัวดํา แล้วก็หน้าเลยนะจะไม่มีแป้งไม่มีอะไรเลยแล้วก็มันดูโซมก็เราซมผส ม, มไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเรารับได้ถ้าป ว, วดใจที่เราปวดใจที่มันอื ม, อมใช่มันเป็นแบบนี้ค่ะโอเคก็ในในส่วนนี้ก็คือเคยพูดกับหลายๆคนกับคุณคุณอาอุสาด้วยบอกว่านะเราเดินทางนี้อ่ะ ถ้าเราจะไปพูดมากกับคนอื่นเขาคงจะไม่เข้าใจเราแล้วก็ทําให้เขาเป็นบาปเปล่าๆถ้าเราจะคุยกันเราเอามาคุยกันกับในในในวงที่มันที่ว่าเราอยู่ในสินแสบด้วยกันแล้วก็เราจะมีความสุขต่างๆพระอาจารย์แล้วได้เอาคำวะคําสอนของพระอาจารย์นั้นมาอืมก็เหมือนกับว่าวันอาทิตย์ก็ได้ฟังพระอาจารย์เทศในเรื่องว่าพระอาจารย์พูดพูดจนอะไรปากฉี่กูแล้วแล้วฉีกูแล้วอ๋อ ใช่พราอาจารย์ไม่เคยสอนเรื่องอะไรมากไปกว่าเรื่องว่าความอยากที่เราเกิดขึ้นกับกับใจของเราอ่ะแล้วทำให้เราเป็นทุกข์ค่ะอาจารย์นั้นแะก็มีนั้นแหะโอเคนะบโอเคสาธุคุณน่ากับคุณต้าเชิญกลับมาสักการะครับ ได้ยังไงปฏิบัตินั่งสมาธิกันด้วยหรือเปล่านั่งนั่งอยู่ค่ะแต่ว่าอายระยะเวลาอาจจะไม่ยาวมากค่ะครับอาจารย์นั่งด้วยกันนั่งพร้อมกันหรือเปล่าไม่ก็ผมของผมจะน้อยกว่าครับก็พยายามจะฝึกฝนให้มากขึ้นครับแล้วก็แล้วก็จะเริ่มเริ่มมานั่งบ่อยขึ้นครับอาจารย์อาจจะไม่ได้ทุกวันเหมือนานัทเขาครับแสดงว่าคุณนัทเป็นคนเดินเรานะครับ ดีนี่นนแสดงว่าเราได้กําไรมีคนก้อนเด้งเราใช <c oughs> ่ครับคุณได้ก็อย่ามาให้คุณตาก้อนึดงคุณเดงไปแล้วก <c oughs> <ะ>ันค่ะถ่ายทุนค่พระอาจารย์ขอสอบถามต่อยอดจากที่วันนี้ได้คุยเรื่องเวทนาค่ะพระอาจารย์คือหนูสงสัยว่าอย่างปฏติมนันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะที่เวลาเราเจอเหตุการณ์ที่แบบถูกใจไม่ถูกใจเราอาจจะมีความไม่ชอบ เกิดขึ้นอันนี้คือเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมคะแต่ว่าเราควรจะอุเบกขากับความไม่ชอบเราใช่เฉยเฉยอี่ยพยายามได้เนื้อยอยากยาจะให้มันหายไปมันมันชอบก็อยู่อยู่อยก็อยู่นั่นไปเราไม่ต้องไปยุ่องอะค่ะคือคือเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นเวลาเราเจอความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยมันจะเกิดควา ม, มรู้สึกขึ้นมาว่ามันไม่ใช่เป็นเศษแล้วมันไม่ใช่เป็นเศษแล้วมันเป็นสมันเป็นสันดานของเราที่มักจะแบ่ง แน่งของที่เราเห็นเนี่ยเป็นชอบไม่ชอบดังนั้นต้องมาฝึกจิตให้ไม่ให้อยู่เป็นกลางให้เป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังแล้วเราก็จะเฉยๆกับสิ่งที่เราชอบไม่ชอบได้อย่างที่ฝึกสมาธิเพื่อให้เราได้อุเบกขาเวลามีอุเบกขาเนใจเราจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเจอหนิงก็ไม่กลัวเจองูก็ไม่กลัวเจอของของของแปลกก็ไม่หลงชคิดว่าเป็นของวิเศษ จเจอเพนรใงจินดาก็ไม่หรอกว่ามันเป็นของมิเศษหรืว่ามันเป็นแค่ก้อนหินเมื่อก่อนเราจะรู้สึกผิดเวลาเกิดอารมณ์แบบเหมือนเหมือนพอเราเจอเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบเรายังไม่ได้แสดงอะไรแต่ว่าเราจะรู้สึกผิดในใจว่าแบบ เ, เราไปรู้สึกไม่ชอบวิ ธ, วธีวิธีจะทำให้สิ่งที่เราชอบมันใหชอบหายไปคือเวลาเจอสิ่งที่ชอบเราก็อยากไปชอบมันเวลาเจอสิ่งที่ไม่ชอบก็หาชอบมัน ยังตามไปแล้วก็จะเฉยๆได้อืออาจารย์อาจารย์อย่างบางทีบางทีความหมายก็คือบางทีเราเจอโลกการทาด้านด้านดีๆเราก็อาจจะไปหลงกับมันมันมี อ, อย่างความรู้สึกที่ว่าเอ้ยเผลอเผลอไปชอบอไปอะไรมันนี่มันคือผิดไหมครับาอาจารย์หรือว่าพร <อ S 2> ชอบแล้วมันก็ยึดติดเลยมันก็อยากได้รพอเสี ย, ยไปมันก็ทุกข์ใจนนะพอไม่ได้ทุกข์ใจ ถ้าเราเฉยๆเราก็ยังไม่ทุกข์ใจได้หรือไม่ได้เราก็ไม่เหนื่อนนอนแต่พอเราชอบปั๊บต้องอยากได้เห็นไหมพอไม่ได้เสียใจเวลาเราชอบทีมไทยไปแข่งโอลิมปิกเฉียดใหญ่เลยพอไม่ได้ก็เสียใ จ, ย แ, ยใยยใจแต่ถ้าเราเฉยๆถึงแม้จะช่าแต่เราก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนก็ดูไปถ้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีมันก็ต้องใช้ปัญญา กลัมาที่ทําสมาธิให้อถ้ามีสมาธิมันก็จะเฉยจริงๆได้เฉยเป็นธรรมชาติไม่ยินดีร้ายกับอะไรพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นเดี๋ยววันเสาร์นี้จะจะไปปฏิบัติไปภาวนาที่วัดป่าคุณล้อมค่ะพระอาจารย์ที่ไหนที่จังหวัดอุบลราชธานีครับอาจารย์ไปไกลเลยนะค่ะพอดีเพื่อนเพื่อนชวนไปค่ะพระอาจารย์ แต่เบินเินคุณแมทเข้าไปกับเพื่อนอีกคนครับผมติดภารกิจนิดหน่อยก็เดี๋ยวไปส่งเขาเลี้ยครับไปอยู่กี่วันนะไปอยู่สามคืนค่ะสุเสาไอเสาอธิจันทร์องคารกับค่ะอาจารย์โอเคดีขอให้ได้ความสงบกลับมานะคุณพระอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะสวครนีคุณซันนี่แบงค์ครับ การ น, นมัสการพระอาจารย์คะ่ะวันนี้ไม่มีคําถามคะ่ะโอเคงั้นไปที่คุณแนนอุดรทางนีการในมรสการพระาอาจารย์ไม่มีคําถามเจา้าค่ะงั้นคุณยินดีแคนเซอร์ <st> อันนี้ยังมีบางซองเต้นแน่นอนพระอาจารย์เหมือนเดิมค่ okay. ะเช<า>่นเดิมพระอาจารย์โอเคฝขอบคุณด้วยนะขอบคุณค <David. S 2> ุณเดวิค่ะ แม่จำเอยากสูบกันต่าโอเคเงั้นไปที่คุณตายตอนไอ้บางคนอย่ในที่เขาเขาคุณตายก็ไม่มีอะไรใช่ไหมน้อำกลับนมาส ก, การ์ค่ะไม่มีอะไรค่ะ<ข>พระอาจารย์มาฟังธรรมก็เทวดาดีนะนีเปลกเวลามาได้นีก็เก่ง น, นะเจ้าค่ะก็พยายามจะให้อยู่ในอยู่ ใ, ใกล้ๆพระอาจารย์เนี่ยคะ่ะจะได้ไม่เตลิดเฟิเฟิงอาจาร ย, ย์รช่วยใจไหมหไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ ช่วยได้มากๆมากที่สุดเลยค่ะแล้ได้มีแนวทางคิดที่ถูกนะคิดยังไงใช่ค่ะอาจารย์การเขาพกคนอาจารย์มากค่ะมีเกณฑใจเพื่อนเียพื่อนมาชวนไปกินเหล้าเกณฑใจเาอ๋อไม่ละค่ะไม่กลัวเสียเพื่อนแล้วนะไม่ไม่กลัวแล้วค่ะจะปฏิเสธได้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนอย่งนี้เพื่อนอย่างี้ยินดีเสียยินดีก่านะ ฮค่ะถ้าเขาอยากคบเราเขาก็มาถ้าเราเป็นอย่างนี้ถ้าเขาอยากคบเราก็มาถ้าเขาไม่อยากคบก็แล้วแต่เขาแร้ไปใช่ค่ะแเราไม่ไปกับเขาแน่นอนนะไม่ไปละค่ะมีมีมีหลักยึดหลักใจธรรมะพรเจ้าีนเป็นหลักยึดใจติดใจไม่ให้ไหลตามกระแสของสังสารวัฏของกิเลสต่างนั้น แล้วก็พยายามพยายามฝึกตัวเองตลอดคําไม่ให้โกรธไม่ให้โลภไม่ให้หลง<ม>แต่ก็แต่ก็ยังมีก็มีหลุดเหมือนกันคะ่ะพระอาจารย์ยังยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์มันก็ยังต้องมีอยู่นั่นนะนะเจ้าข่าพระอาจารย์แต่ก็พยายามฝึกฝึกให้แบบฝึกให้มันให้มันนิ่งกว่านี้แล้วก็ฝึกให้มันแบบ ไม่ไม่ใช่แบบว่าถ้าเราเจอปัญหาแล้วจะข้ามได้หรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยพระอาจารย์หนูก็พยายามว่าถ้าเจอปัญหาจริงจริงหนูจะแก้มันได้ไหมแต่ทุกครั้งก็ก็ผ่านเรื่องเรื่องโมโหเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องแบบลูกน้องจะออกลูกน้องจะไปไหนใครจะทําอะไรใครจะไม่มาทํางานก็ก็แล้วแต่เขา<ม>เราก็เราควบคุมเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ ใช่คะ่ะอาจารย์เมื่อก่อนนี่จะทุกข์มากเลยแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเมืันเราก็ไม่ได้อยู่กับเขาเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดแม้วันนี้ก็วันวันหน้าเราก็ต้องไปจากการอยู่ดีก็คิดดีก็สบายใจคะ่ะอาจารย์ดีมากและยมโยยมโ ย, ย, มยก็ช่วยคิดด้วยพระอาจารย์เขาจะเตือนสติโ ย, ย, ยมเวลาโยมแจ็คขึ้นเขาก็บอกว่าไอ้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาก็เอออธิบายแล้วก็เออเย็นลงอ๋อค่ะ ดีมีเพื่อนที่ดีๆ<ช> น, นี่กำลังงานละเม็ดช่วยกันดึงขอบคุณอาจารย์มากพ่อสาธุสาธุคุณมาีไม่มีใครเดึงนีง่ไหมต้องดึงเองนะการหลวงพ่อค่ ะ, ะคุณมารีเป็นเรือมีเครื่องแล้วไม่ต้องให้ไม่ต้องมีเรือไม่ต้องไปพ่วงเรือคนเดียวในชะ่ไหมเรามีเครื่องของเราเราของเราลอยได้เนะี่ยชอบชอบคนเดียวค่ะหลวงพ่อ อคนมีมีธรรมะแล้วมันต้องไม่ไม่ต้องไปเพร่งไครนะ้วอัตไทอัตโนานาถนะค่ะหลวงพ่อคะ่ะวันจากวันพุทธที่แล้วที่หลวงพ่อเทศว่าถ้าเราฝึกปฏิบัติแล้วอะคะ่ะที่เราดูกายดูเวทนาแล้วแล้วหลวงพ่อให้มาดูจิตแล้วก็ไปตามสเต็ปตามขั้นตอนเนี้ยะค่ะหลวงพ่ อ, อหนูหนูกลับคืนวันพุธหนูก็มานั่งปฏิบัติเหมือนเดิม แต่ในใจหนูมันก็มีคําถามว่าเอ๊มันดูยังไงดูแบบไหนดูจิตมันถึงจะถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูมานั่งพิพจารณาคิดแล้วก็ปฏิบัติแล้วเสร็จแล้วหนูก็ไปเ อ, อไปฟังธรรมะฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังเรื่องเรื่องการดูจิตพิจารณาจิตอะไรเงี้ยค่ะถ้าหนูมาเจอคลิปหลวงพ่ออันนึ่งนะคะ น่าจะเป็นคลิปเก่าที่เป็นอยู่บนเขาอะค่ะสมัยที่หลวงพ่ออยู่บนเขาขอะค่ะหลวงพ่อพูดว่าถ้ามีสติแล้วจะไม่ต้องมาถามว่าดูยังไงจิตดูยังไงเสร็จหนูก็มาปฏิบัติเองแล้วแล้วหนูก็ได้เห็นนะคะหลวงพ่อคือก็ทราบอยู่ว่าดูจิตเนี่ยก็คือการดูสภาวะทาง อารมณ์มันจะสุกแล้วมันก็ทุกข์หรือมันก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนไปแบบนี้ค่ะหลวงพ่อเกิดเกิดจากเรามีตัณหามีความอยากแล้วเราก็มาปรุงถ้ามันได้อย่างใจมันก็สุขถ้ามันไม่ได้มันก็รู้สึกขัดแจเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วหนูก็มานั่งปฏิบัติเสร็จแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยได้ได้เห็นนะคะหลวงพ่อคือช่วงที่หนูนั่งปฏิบัติมันมันสุกมันดีแต่ว่าเวลาหนูหมด มันก็จะเกิดเหมือนทุกขัดใจตรงที่ว่าเสียดายเสียดายว่าเออหมดหมดเวลาแล้วช่วงขณะที่หนูมีมีความคิดตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อสติมันวิ่งมาปึ๊บว่าเออเรารู้ทันแล้วค่ะหลวงพ่อไอความที่ขัดใจความจะทุกตรงเนี้ยมันดาวลงมาแบบกับแบบด่วนอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วจิตมันก็สงบ แล้วมันก็เห็นเห็นความ้อ๋อเข้าใจที่หลวงพ่อพูดว่าถ้ามีสติแล้วจะไม่มาถามว่าจะต้องทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วจิตใจมันก็สงบคือมันมันเป็นสุขแล้วจนเหมือนเหมือนจิตเราเข้าไปอยู่ในสมาธิอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันเห็นอริยสัจสี่เห็นกิเหหเห็นเห็นตัณหาความอยากาพอหยุดตัณหาความอยากได้ทุกข์ก็หายไปจิต ก, ก็สงบ ใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วมันดีไปหมดเลยอะค่ะหลวงพอ่อจิตตอนนั้นอะแล้วหนูก็เข้าใจว่าอ๋อความสุขที่เราปฏิบัติหรือว่าเรามาฝึกภาวนาแบบเนี้ค่ะหลวงพอ่อมันเป็นความสุขที่มันสุขอื่นมันไม่เหมือนนะค่ะหลวงพอ่อมันมันเทียบไม่ได้อ้านราดูจิตเราจะรู้ว่ามีทุกท่านั้นที่เกิดนั้มีทุกท่านที่ดับใช่ใช่ใช่ใช่ค่ะหลวงพอ่อหนูหนูรู้สึกว่า โอ้มันเป็นอย่างมันคือมันเหมือนเหมือนเปิดอะไรในในใจหนูเลยค่ะหลวงพ่อหนูมันแบบมันยิ้มข้างในแบบคือหนูได้เข้าใจมันเหมือนถ้าเราฟังแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็เหมือนก็ทราบทร า, าบอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปเกิดจากข้างในเราจริงๆเห็นจริงจากข้างในจิตในใจเราอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อถ้าไม่มีสมาธิไม่ไมองไม่เห็นจิค่ะดูจิตไม่ดูจิตไม่ได้ค่ะหลวงพ่อ หนูเลยคแบบ่ะโอ้โหมันทำไมมันสุกมันดีอย่างนี้อะไรเงี้ยคือคือเข้าใจที่หลวงพ่อบอกว่าสุขอย่างอื่นมันเทียบไม่ได้อ่ะคะ<ม>่ะออหนูหนูเข้าใจคะ่ะแล้วพอเราเราออกมาใช้ชีวิตมาทํางานในปัจจุบันเราสามารถใช้สติตรงเนี้ยคะ่ะหลวงพ่อมามาใช้ได้กับทุกอย่างเลยอ่ะคะ<ม>่ะหลวงพ่อใช่มันสุดยอดของสติคือสติในจิตเนี่ยค่ะ ทีนี้ถ้าแก้ตัวทุกในจิตตัวเดียวแล้วทุกอย่างมันก็หายมันก็มันก็ไม่เป็นปัญหาต่อไปปัญหาอย<ช>ู่ในจิตเราคนเดียวค่ะแล้วแล้วทีนี้ยมันเหมือนหนูก็มาไข้ควรว่าถ้าถ้าเราจะจะดูจิตให้ทันเนี่ยเราก็ต้องมีสติที่รวดเร็วแข็งแรงว่องไวมันเหมือนถ้าถ้าสติเราอ่อนเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องเหมือนไปไปฝึก ไปฝึกสมถะใช่ไหมคะหลวงพ่ อ, ห ร, อหรือว่าเราจะไปดูดูกายพิจารณากายเอาจิตเราท่องเที่ยวคือไม่ให้ออกไปข้างนอกอย่างนะะี้ค่ะเราก็มาฝึกแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราเร า, เรารู้สึกว่าเออเรายังมีโทสะหรืออะไรอย่างนี้คะ่ะหลวงพ่อเราก็ต้องมาแก้อีกแก้โดยใช้พร ม, มิหารสีให้เหมือนเราเราไม่ต้องเป็ด ไปเขาเรียกอะไรใช้อารมณ์หรืออะไรเงี้ยค่ะต้องมีเหมือนมีธรรมะคอยคอยประกบอยู่ตลอดถ้าสมมติว่าเราเรารู้สึกว่าเราไม่ทันสติเราไม่ทันเงี้ยค่ะมันก็มีวิธีแก้แล้วแล้วถ้าเกิดเราหลงเราหลงหนูก็มาพิจารณาอีกว่าถ้าหลงถ้าหลงเนี่ยแสดงว่าเราไม่รู้เราก็ต้องมาทําวิปัสสนา โดยโดยใช้ปัญญาทําให้เราเห็นความจริงให้ให้มองถึงไตรลักษณอะไรอย่างเงี้ยคือพอหนูมาพิจารณาแบบเนี้ยอ๋อมันเป็นเส้นเป็นสายจนแบบอ๋อมันเป็นเข้าก็เล ย, ก, เลยก็เลยเหมือนถึงบางอ้อเข้าใจแล้วมันก็จิตมันมีความสุขอะค่ะหลวงพ่อเข้าใจถึงความสุขว่าอย่างอื่นมันมันสู้ไม่ได้อะ่ะค่ะอ<ม>หนูก็เลยโอ้โหแบบเหมือนมันบานอยู่ในใจเลยอะค่ะหลวงพ่อใช่ อ๋เมันเกิดนิโรธทุกข์หายไปพอทุกข์หายไปความสุขก็โผล่ขึ้นมาค่ะหลวงพ่อเราเราสติตัวเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนเป็นยามที่คอยเฝ้าเหมือนเฝ้าว่าเออต้องเหมือนต้องระวังนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาในจิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคอยเฝ้าดูว่าทักชุกหรือเปล่าพอชุกก็ต้องไปจัดการค่ะหลวงพ่อคำจมันไปที่เห็นของความทุกข์ก็คือกิเลสปัญหาความอยากเนี่ย ค่ะอันอันนี้มันก็รวมถึงเรื่องคนเรื่องอะไรหลายๆอย่างด้วยค่ะหลวงพ่อคือพ อ, <c ười> พ, อพอเจอเรื่องคนเนี้ยจิตมันก็จะมาคิดว่ามันเป็นเรื่องของเขาเขาจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราอะไรเงี้ยค่ะหลวงพอ่อแล้วจิตมันจิตมันสูบอะค่ะหลวงพอ่อหนูไม่รู้จะพูดยังไงดีมันเห็นอน้าตาเห็นอนัตตามันก็ปล่อยวางไม่ยุ่งของเขา ค่ะหลวงพ่อไม่ยื้ขเขาใจก็ไม่ทุกข์เมื่อใจไม่ทุกข์ใจมันก็สุขค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วหนูแบบโอ้ยตายแล้วถ้าจะให้เลิกปฏิบัติคงเลิกไม่ได้ค่ะหลูงพอมันมเป็นอย่างอื่นทำไมจะไปเลิกทําไมอืเทียบเทียบถึงว่าเอาอย่างอื่นมามแลกอะไรอย่างเงีย้ยคะ่ะไม่ไม่เอาคะ่ะอันนี้มันปฏิบัติอานะนี้มันอยู่ที่ไหนมันก็ปฏิบัติได้ ใช่ใช่ค่หลวงพ่ อ, พอมันเยอะม่เข้าไปถึงในใจแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายนะค่ะหลวงพ่อเปนนุ่งขาวของขาวหรือไม่ก็ไม่สําคัญจะบวนก็ไม่บวนก็ไม่สําคัญมันมันก็สุขในใจสงบได้ทุกที่ถ้าเราเรามีธรรมะมีใช่ค่ะหลวงพ่อมีสติคอยดูใจตัวเดียวนี้ใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วก็มีปัญญาคอยสอนใจให้ปล่อยวางค่ะหลวงพ่อหนหนูดีใจที่ที่แบบ มันเห็นเห็นความขยับของหนูไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อหนูขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อหนูจะพยายามขอบคุณพระพุะเจ้าเนี่ยขอบคุณนะคะหลวงพ่อก็หนูก็กลับกลาบไหว้พระตรวจทุกวันแล้วก็ปฏิบัติก็คือทําเป็นแบบปกติไปแล้วค่ะหลวง่อไม่พระเจ้าพวกเราจะไม่มีพวกเรามานั่งคุยกันน้ค่ะหลวงพ่อหนูหนูก็ต้องขอบคุณหลวงพ่อที่หลวงพ่อเป็น เป็นสื่อที่นําคําสอนของพระพุทธเจ้ามา ม, มาสอนมาสั่งให้ให้หนูได้เข้ามาถึงตรงนี้เป็นบุรุษไปเนีเราเป็นบุรญไปเสนีไม่ทราบทราบความหมายอยู่แต่ไม่ไม่กล้าจะเรื่มเอาจดหมายจากพระพุทธเจ้ามาให้พวกเราด้ยค่ะหลวงพอโอเคนะขอาคุณหลวงพ่อมากมากค่ะท่านต่อไปคุณพันถางนะท่านผีไม่ทราบชื่ออะไร ภาษาอังกฤอ่นว่าแพนแทนภาษาไทยอ่านว่าไงนนะอานิทาอนอภัยใช่ไหมอนิทานนะเนี่ยแอบอะปล่อยไปก่อนโอเคสวัสดีสสดชื่ออะไรขอนะอภัยได้ อ, อนิทานครับอาจารย์อนิทานครับผมก็ถ้าเราพิจารณา อยายัดนาโขกอะครับก็คือเราทวนกลับไปพิจารณ า, นานเงื่อนต้นของมันก็คือดูที่รูปนามอ่าดูที่ธสตวดูที่อยายันาโขวกว่าครับก็คือพอเรากําหนดพุดโทโธใช่ไหมครับพุโทโธกํากับไปเรื่อยถ้าตัวตัวที่เรากํากับพุโทโธไปอะครับมันมีเวทนาเราก็จะมีสัมปชัญญะไปกํากับแล้วก็ดูมันดับไป แล้วก็กำหนดพุโทโธแนยนั่นไปเรื่อยๆจนจิตเนี่ย ม, ม, มันได้สมาธิพอมาได้สมาธิปุ๊บเนี่ยเราก็อยู่ตรงนั้นไปพิจารณาตรงนั้นไปเพื่อให้ลูกกับ น, นามเนี่ยมันรวมเป็นสิ่งเดียวกันแล้วพอมันคลายออกผมก็พิจารณากลับไปเหมือนเดิมครับก็คือกำหนดอยู่ที่พุโทโธไปเรื่อยๆซ้าไปเรื่อยๆก็คือตอนนี้รอดูว่าพอมันเริ่มแยกกัน แล้วเราให้มาดูตัวอายทานาหกะครับผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับถ้าจะพิจารณาเงินต้นที่ว่าไม่ถูกเพราะโยมเอาทั้งสมาธิทั้งวิปัสสนามาปนกันทำไม่ไม่ถูกมันต้องแยกทําอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนสมาธิก็แต่สมาธิอย่างเดียวไม่พิจารณาเพ่อย่างเดียวอยู่รู้ทุทโอย่างเดียวให้จิตดวงให้จิตเป็นสมาธิก่อน แล้วเวลาออกจากสมาธิมาค่อยมาพิจารณาทางปัญญาต่อไปพิจารณาว่าเป็นไตรักอายตนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์นี่เป็นไตรลักษณ์กนนะจำไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วต้องดับไปควบคุมบังคับสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเราเรามันก็จะโตใจเราก็จะทุกข์เพราะมันเป็นไปไม่ได้ อก็ยากยากทำสองอย่างมันอย่าไปทำสองอย่างปนกันเหมือนเอากาแฟเย็นเอากาแฟร้อนมาปนกันไม่ได้ทั้งอย่างนั้นนะจะกินกาแฟร้อนก็าแต่กาแฟร้อนๆอนเอากาแฟเย็นก็แต่กาแฟเย็นครับก็คือพอตอนที่เราพิจารณาไตรักหัดก็คือเราพิจารณาที่ตัวเวิทยาภายนันี้ว่างแล้วก็วิทยาภายนั่งปล่อยแล้วเราก็กําหนดไปเรื่อยๆกำหนดสติกํากับไปเรื่อยๆไม่ใช่เหรอพรกํา พิจารณาเพื่อให้เห็นตายแล้วพิจารณาให้เปนเห็นตายรักเห็นตากเราก็ปล่อยวางครับพอตัวกุศลตัวกุศลธรรมมันเต็มรอบนะครับกุศลธรรมมันเต็มรอบเสร็จปุอันนี้อันนี้ปนกันไปใหญ่นะกุศลธรรมมายุ่งเลยนะก็คือมันเหมือนเป็นเป็นเม็ดฝนเนี่ยลงมาแล้วมันก็สลายไปอันนี้เราไม่รู้นะจุดตรงนั้นไปในชี่สเป็น มันนิยมต้องต้องปฏิบัติเองเพราะเราไม่สามารถที่จะตอบคําถามเหล่านี้ได้เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติแนวทางนี้อ๋อครับเราปฏิบัติแยกกันเราสมาธิแล้วก็ค่อยปัญญาปัญญาแล้วก็พิจารณาตายแล้วนี่ครับก็คือผมกับเรียนคําถามไปที่หลวงพ่อรูปหนึ่งคะครับที่เป็นสาขาบ้านตาที่รัฐบุรีท่านก็บอกว่าพิจารณาแบบนี้ถูกแล้ว ก็ดีก็ถูกเราก็ไม่ได้ว่า ผ, <ม S 1> ผิดเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ไงเราเราเตอบไม่ได้อเเรามก็ลยว่าถ้าถ้าตัวผบเนี่มันไม่มีสารตั้งแล้วว่าก็ต้องมาที่ตัวเงื่อนต้นของมันนะครับก็คือพิจารณาที่รูปนามแล้วก็ภาษาก็ดีดเป้าหมายก็ขอให้เราปล่อยวางให้ได้ไม่ให้ทุกข์กับมันได้ครับปฏิบัติทั้งหมดที่เพื่อดับความทุกข์จะดับความทุกข์ได้ก็ต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่าง ครับผมท่นั้นเนะี่ยวิธีการจะไปถงึงจุดนั้นจะทําอย่างไรนั้นแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันไงครับผมงั้นเราก็ไม่กล้าพูดพว่าแนวทางที่คุณปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัตินะอะแล้วแนวทางที่เราปฏิบัติคุณก็ไม่ได้ปฏิบัติมนาะเอมาพูดกันแนละ้วมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ท่านั้นเนยะครับผมก็ไปไปถามท่านทีนท่เราค่ายคำตอบที่ตรงกับเราเลย ท่านก็ให้พิจารณาที่ตัวสมาธิครับแล้วก็ให้ดูพิจารณาตัวตรูปอะไอย่างนี้มันพูดผิดแล้วเนี่ยสมาธิเราไม่ต้องไปพิจารณา ห, หรอกไมเป็นพิจารณาอะไรสมาธิก็คือรอที่มันคลายมาแล้วเราค่อยพิจารณารูปกันนาใหม่ครับก็คื อ, อดูที่อายตานะเข้าแล้วก็การรับรู้ของอายตานะนั้นนะครับก็ได้ก็ลองาตัวครับได้ก็ลองทำดู ทำไปเพื่อดับความทุกข์ใจนะก็มาใช่ครับก็คือถ้าตัวเอ่อตาที่เห็นรูปมาแล้วก็ใจเราที่จะเห็นรูปนั้นนะครับมีความรู้สึกมีเวทนาที่จิตเกาะเราก็พิจารณาตรงนั้นให้มันดับอยู่ที่ตรงนั้นนะครับเออให้ทุกันดับเอาแล้วกันถ้าทุกคนดับก็ใช่ได้ครับผมนะแต่ละแต่ละคนนั้มีนวทางอาจจะไม่เหมือนกัน แต่เป้าหมายก็อันเดียวกันก็คือให้เราดับทุกเวลาทุกเกิดขึ้นมาในใจเราครับผมโอเคนะต้องขออภัยด้วยนะถ้าไม่สามารถที่จ ะ, ะอธิบายครับอาจารย์อธิบายให้ฟังนะว่ามันไม่เคยทําทางนี้มาก่อนแล้วมันก็เลยไปทางแนวน้ำกับลูกอะไรอย่างนี้นะครับ อ, อ่าครับผมโอเคขอบคุงมากครับอรับทุ อ่าคุทางชิ้นะทันชิตอยู่ใต้หวันเนี่ยครับกลาบนะมาสรการครับอาจารย์ไปเป็นเดือนนะนนครับทันชิตเราจะเลือกนำโอทีครับไม่มีเวลาก็ไม่ได้เข้ามาครับเลิกเที่ยงคืนครับอ่าเดี่ยวดีทำเงินไว้ก่อนนะเงินไว้ก่อนเก็บเงินเก็บท่าไว้ เหมือนคำหลวงตาบอกเราบอกมาครับว่อพระอาจารย์ บ, บอกว่าให้เก็บเก็บก็เก็บครับอเอามาเพื่อเก็บใช้ไปบางส่วนว่าอนาคตเราไม่รู้ว่ามันอะจะเกิดขึ้นครับก็แบ่งกันไปทําบุญมากครับทากับพระอาจารย์นี่ทำบุญก็เป็ น, ปนการเอาเงินเข้าไปฝากธนาคารบุ ญ, บบญเดี๋ยวพรุ่งน้าชาตน้าก็จะมีเงินทนองเราเราอยู่ครับ โ <Okay. S 2> อเข้ามากราบครับเข้ามากราบอาจารย์ครับขออาจารย์พาพาดกานจางเงครับอาจารย์จะคณจินตนาใช่ไหมถ้าตัวหนังสือมั น, ไ, น, นได้ก็้กันอาจะได้ยินไหมการมาสการค่ะหนูเนาะปาตูใช่ไห ม, ไมชื่ออะไรัาษาของใครเอ่ยเขาหนู อ่าหนูชื่ออจิตนาธ์ค่ ะ, ะจิตนาโอเคค่ะเพิ่งเข้ามาเลยครั ง, งแรกเลยค่ ะ, ะคหนูต้องบอกว่าขอเข้ า, ามาเมื่อกี้ฝนตกหนักมากแล้วตอนนี้เงียบไปแล้วค่ะหนูดีใจหนูคิดว่าหนูจะไว้ไม่ได้ได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ซะแล้วหนูนตั้งหน้าตั้งตารอวันนี้เลยค่ะที่จะได้สนทนาธรรมหนูมีเรื่องอยากจะสอบถามนิดนึงว่าหนูเอง อยู่ทางโลกมามากเกินแล้วค่ะพอทีเนี้ยเมื่อประมาณเดือนอเดือนกรกฎาคมประมาณสิบสองเนี่ยค่ะหนูเพิ่งจะมาทางธรรมแบบเต็มความรู้สึกมันมันเบื่อทุก์มากแล้วแล้วหนูก็ได้มาปฏิบัติ ด, ด้วยการจับภาพพระแล้วก็พุทโธพุทโธจริงๆหนูก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่หนูจะเน้นการจับภาพพระทำไม่เลื่อยจนวันหนึ่ง มันเหมือนหนูได้ตัดอะไรไปบางอย่างในเรื่องของความความโลภความโกรธความโมโหความเป็นตัวตนที่ตัวกูอะไรที่มันทุกอย่างที่มันที่มันเป็นกิเลสต่างๆได้แล้วพอหนูตัดได้แล้วปุ๊บหนูรู้สึกว่าจิตหนูของความทุกข์ความยึดติดความกังวลกับทุกอย่างหนูมันดับมันดับไปได้ไ ด, ได้ได้แบบซึ่งหนูแปลกใจ พอมันดับปุ๊บทีเนี้ยมันเกิดความรู้สึกจิตมันมองว่างค่ะมันทําให้หนูรู้สึกเบื่อเบ่อเบื่อในที่นี้คือหนูมองอะไรไปแบบมันดูความวุ่นวายมันทําให้หนูเบื่อเบื่อทางทางโลกหนูรู้สึกว่าหนูบางทีหนูอยู่แบบสันโดษแบบอยากอยู่คนเดียวเงียบๆหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีการที่หนูปฏิบัติอย่างเงี้ยแล้วหนูตัดตัดดับเหมือนตัดทึบไปเลยอะค่ะเหมือนไม่มีความห่วง ไม่มีบ่วงอะไรที่มันทําให้เรากนนา again, kids, ังว <bracket S 1> ลมืม่ก่อนเลยโดยเฉพาะทั้งเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรหนูก็เลยอยากจะกลาบถามพระอาจารย์ว่าสิ่งที่หนูกปฏิบัต League ิมาเนี <theory> ่ยมันถูกทางแล้วหรือเปล่าคะเออข้าพเจ้าจะจ้าว่าตัดทุกอย่างไปบวชเนี่ยขั้นต่อไปก็ไปบวชเป็นเป็นแม่ชีไปปฏิบัติธรรมทางโลกมันวุ่นวายเนอะทางธรรมเปนทางที่สงบทางที่ทําสุขที่แท้จริง ค่ะไ ม, ไม่ผิดหรอกถ้าเราเห็นโลกนี้มันทุกข์มันวุ่นวายเนี่เนเนยเห็นเห็นธรรมละมีดวงใจเห็นธรรมคือคือคือหนูต้องกับขอขมาอีกทีค่ะว่าซึ่งมันจะครึ่งชีวิตหนูแล้วที่หนูผ่านมามันมีแต่ความโลภโกรธหลงความมโหความยึด ต, ติดทุกอย่างแล้วทีเนี้ยมันซึ่งหนูก็แปลกใจว่าทำไมมันตัดชึบแบบหนูไม่เอาเลยค่ะหนูไม่ไปกังวลอะไรเลยหนูไม่เอาทุกอย่างเลยจนบางทีหนูมีความรู้สึกหนูอยากอยู่แบบเงียบ อยู่แบบสงบมากที่สุดแล้วก็ถึงสิ่งที่สําคัญตอนนี้เหมือนหนูหนูต้องกาบของมาว่าหนูไม่เคยรู้จักพระอาจารย์แล้ววันนึงหนูได้เลื่อน youtube หาธรรมะแล้วหนูได้เจอสิ่งที่พระอาจารย์พูดมาว่าให้หาครูหรืออาจารย์ถ้าหนูจำไม่ผิดนะคะให้หาครูหรืออาจารย์ที่สามารถสอนหรือให้คําตอบในธรรมะสิ่งที่เราฝึกและปฏิบัติมาอันเนี้ย จนหนูเลยต้องหยุดแล้วหนูก็กดติดตามทุกช่องทางของของพระอาจารย์เลยค่ะแล้วหนูก็รอรอวันว่าหนูจะได้เข้ามาสนทนาธรมว่าสิ่งที่หนูปฏิบัติเนี่ยอันนี้คงหนูว่าเออโดยเฉพาะตอนนี้ที่หนูแบบบางอารมณ์หนูคือหนูไม่ค่อยอยากคุยกับใครหนูอยากภาวนาหนูอยากนั่งสมาธิแล้วก็จับภาพระแล้วหนูก็ได้คำคาตอบของพระอาจารย์จากคลิปหรือการไลฟ์ อาจารย์บอกว่าเวลามีอารมณ์หรือโกรธหรืออะไรขึ้นมากับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยหนูเลยทําทุกอริยบทไม่ว่าจะเข้าห้องน้ําจะเดินจะกินจะนั่งจะนอนหนูใช้วิธีนึกภาพพระและ้วก็พุโทโธพุทโธแล้วมันก็ตัดปุ๊บกรตัดปุ๊บไปโดยที่หนูรู้สึกมันมีแต่ความสงบเกิดขึ้นวันนี้หนูก็เลยขอเข้ามากราบว่าสิ่งที่หนูปฏิบัติทั้งหมดตอนเนี้ยที่หนูไม่ค่อยอยากไปคุกคีกับใครหรือสนทนาอะไรกับใครมากมายอย่างเงี้ยอันเนี้ย ถือว่าหนูไม่ได้ไม่ได้ตัดเกินไปใช่ไหมคะทางโลกไม่เกินหรอกไม่เกินยังยังไม่พอยังต้องไปบวชเชียร์แต่ <c oughs> ยัพอค่ะยังต้อง <c oughs> ตัดมากกว่านี้ต้องตัดร่างกายเราต้องโกนผมได้ได้ไม่ไปยึด ต, ติด ก, กับความสวยงามของร่างกายค่ะ <c oughs> อมสุภะต้องมองให้ร่างกายมันเป็นแค่อสุภะนี่อาการ32 หนูหนูไปก็ต้องดูอสุภะแล้จะไปบวชชีได้อันนี้หนูต้องกลับว่าหนูพอหนูดูคลิปเอ่อหรือไลฟ์ของอาจารย์มากมากปุ๊บหนูก็เลยเริ่มจากการปฏิบัติถือศีลห้าเนี่ยหนูทำมาโดยปฏิบัติของหนูมันเป็นปกติอยู่แล้วหนูไม่ได้ไปเข่งอะไรเพราะมันเหมือนเป็นกิจวัตรของหนูอยู่แล้วแล้วหนูมาได้ฟังว่าพระอาจารย์บอกว่าอ่ามีคนถามว่าฝึกศีลแปดอ่ารักษาศีลแปดเพหนูก็เลยลองทำสามวันนี้ ก็รู้สึกว่ามันผ่านไปได้แบบสบายๆแบบไ ม, ไม่ไม่มีอะไรที่ที่ต้องกังวลเลยค่ะ <พอ S 1> หนูมีสมติมีสติเป็นกำลังผัก ด, ดันเลยอ๋อสติเนี่ยยังเป็นตัวผักดันให้เราปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาได้อย่างสบายค่ะถ้าหนูฝึกสติอย่างที่หนูพูดนะ ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็มีพุทโธมีผ้าผ้าในใจเราตลอดเวลาใจมันก็ฟุ้งไม่ได้ใจมันก็ปรุงแต่งไม่ได้เพม่อจะทำให้เรารักษาสินได้ให้เรานั่งสมาธิได้ให้เราพิจารณาปัญญาได้อันนี้แลครองหนูได้สติแล้วเน่ยพยายามรักษาสติตัวนี้ไว้ให้ดีก็แล้วกันหนูต้องอย่าทิ้งมันนะอย่าไปทิ้งมันไม่มีทิ้งค่ะจนจนวันตายเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเหมือนเราได้ ได้หลุดพ้นสิ่งที่เราทุกข์มาจากไอ้ร่างกายนี้หนูหนูขอกลับอีกขอขมาอีกเรื่องหนึ่งค่ะหนูเนี่ยมีความรู้สึกว่าพอหนูได้เข้ามาฝึกเนี่ยได้ไม่เท่าไหร่อ่ะหนูมีความทุกข์คละมาร่างกายอยู่แขนหนูอะค่ะปกติมันขยับได้ปกติทุกอย่างพอเหมือนหนูจะเข้ามาปฏิบัติจริงจังปุ๊บมันเหมือนหนูไม่รู้ว่าต้องใช้คาว่าเจ้ากรรมในเวรไหมทีเนี้ยมันเหมือนลุมหนูเลยอยู่แขนข้างนี้หนูขยับไม่ได้เลยมันเหมือนคนยกอะไรไม่ได้หนูก็เลยมานึก คำว่าอ๋อใช้ขอบหนูก็ใช้วิธีว่าแผ่เมตตาจาาับภาพพระแล้วก็พุโทโธพุโทโธแล้วก็เหมือนที่พระอาจารย์บอกคะ่ะว่าพุโทพโธุทโธไปเรื่อยๆแต่หนูก็ใช้ผสมกับการจาาับภาพพระแล้วทำสมาธิหนูสองคืนสองสามคืนแรกหนูนอนไม่ได้เลยเพราะว่ามันเจ็บมากมันยกแขนก็ไม่ได้หนูก็ต้องมานั่งคะ่ะนั่งภาวนาไปเรื่อยๆแล้วขอมาขอพระเมตตาแผ่เมตตาไปเรื่อย ๆ, ๆแล้วพอวันที่สามปุ๊บ แขนค้างนี้หนูขยับได้แล้วตอนนี้มันก็ขยับได้ปกติมันก็เลยทําให้หนูน้ําตาไหลรู้สึกอย่างหนึ่งว่ามันเหมือนความรู้สึกหนูว่าหนูเคยทํากับพวกเขาไว้ไม่รู้ว่ากี่พวกรือเปล่าอันนี้หนูหนูหนูไม่แน่ใจหนูก็เลยว่าพอหนูขอเข้ามาหนูหนูรู้สึกว่าหนูเจ็บมากหนูก็เลยไปนึกถึงว่าแสดงว่าหนูเคยทํากับพวกเขาไว้มากหนูก็เลยใช้วิธีการจากพระพระแล้วก็พุทโทเหมือนที่พระจำบอกแล้วก็แผ่เมตตาตลอด ที่หนูนึกได้ไม่ว่าจะเดินจะนั่งจะยืนจะกินขับรถทุกอย่างค่ะมันก็เลยทําให้หนูรู้สึกไม่ยึดติด ก, กับร่างกายนี้เลยที่มันปวดก็ดีดีถูกต้องถ้าปล่อยวางร่างกายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันค่ะนีปฏิบัติต่อไปมีอะไรต้องตัดให้หมดเลยถ้าไม่มีอะไรเราติดตัวไปได้ทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทอง ร่างยศสรรเสริญนําสุขทั้งตาหูจมูกเส้นกายเนี่ยต้องตัดทิ้งไปให้หมดเอาความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติสติเนี่ยตัวเดียวพอค่ะเป็ความสุขที่เนียวกว่ความสุขทั้งปวงจริงๆามสงหนูหนูตัดหมดเลยทรัพย์สินใสเครื่องประดงประดับแต่งน้องแต่งหน้าหนูหนูรู้สึกนอกจากว่าหนูต้องเอาไปทํางานหรือเจอผู้คนจริงหนูก็เอขอบางที หนูกําลังแต่งหน้าอยู่หนูจริงๆไม่ได้อยากแต่งแต่หนูแต่งหน้าปุ๊บหนูนึกถึงตัวเองกําลังแต่งหน้าศพหนูไม่รู้ว่าหนูคิดไปเองหรือเปล่าว่าเอ๊ะทำไมหนูแวบไปถึงนวรัตที่เขาแต่งหน้าศพทําไมตัวเองกําลังมานแต่งหน้าศพทุกครั้งที่หนูแต่งตัวเองว่าฉันจําไม่ต้องมาแต่งหน้าศพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนแบบหนูยังต้องใช้ชีวิตอยู่โลกโลกและต้องไปเจอผู้คนหนูก็เลยต้องต้องมีบ้างแต่ถ้าหนูอยู่บ้านหรือหนูอะไรที่ไม่จําเป็นหนูจะไม่ไม่ ไม่แตะเลยหนูก็เลยคิดว่าตอนแรกหนูผิดปกติไหมที่หนูละอะไรซิ่งมันมันมันเร็วเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูหนูก็คิดว่าเออหนูอยากหากคําตอบวันนี้หนูก็เลยได้เข้ามากราบค่ะมันไม่เร็วหรอกพระเจ้าบอกบางคนเจ็ดวันก็บรรลุได้ออืสาธุค่ะอ่าเห็นถ้าเราตัดได้ฟงได้นถือว่าเราไปถูกทางแล้วนะสาธุค่ะอาจารย์เป็นไไม่ทากัน แต่เราคนบา ร, รมีไม่เท่ากันบางทีเราเคยสะสมามีมามากพอถึงเวลาปฏิบัติมันก็มันก็สนับสนุนเราส่งเราให้ไปถึงหลักชัยได้อย่างรวดเร็เวเราคนมีบา ร, รมีน้อยก็ต้องปฏิบัติไปเป็นเดือ น, เ, อนเป็นปีกว่าจะไปถึงหลักชยัยแต่ก็ไปถึงเหมือนกันขอให้มีความเพียรพยายามไม่ไม่ไม่ไม่ไมละเลยไม่หยุดนะชู่ไม่ถอยช้าและเร็เวต้องต้องถึงหลักชัยด้วยกันทุกคน ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่หนูอยากถามคือก่อนหน้าเนี้ที่หนูจะมาปฏิบัติเนี่ยหนูจะเป็นคนประเภทแบบพอทุกปุ๊บหนูจะฟุ้งหนูจะต้องขับรถไปวัดนู้นวัดนี้ไปตรงนู้นตรงนี้หรือใครบอกตรงนั้นดีนี่ดีหนูจะไปหมดแต่ตอนเนี้หนูรู้สึกว่าพอหนูกลับมาจากตรงนั้นมันก็ไม่ใช่ความสุขที่จริงมันก็กลับมาเจอโลกโลกมันก็ทุกเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยพอหนูมาปฏิบัติของหนูเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูอยากอยู่บ้านหนูอยากนั่งภาวนาอยู่บ้านหนูไม่อยากไป วัดหรืออะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยหนูถามว่าหนูหนูผิดไหมคะถ้าหนูหนูจะวิธีที่ถูกคือการใช้สติสำบอารมณ์ของเรานี่นเองอ๋อถูกแล<ะ>้วพอสำบสติอารมณ์ได้ทุงอย่างมันก็หายไปหมดทุกข์ก็หายไปหมดเราจะไปหาการที่ไหนเลยไปหาเขาก็ทําให้เราไม่ได้ใช่ค่ะ ไ, ไหมอันเป็นอันตายเหี้อันตโนน่าเถอะเข้าใจไหมใช่ค่ะ ต่อไปก็ไม่ไปากราบพระที่นู่นที่นี่ไม่ไปขอน้ำมนน้ามนไม่ขออะไรใช่ค่ะนั่ก็เรียกว่าเป็นศีลรับพระตาบข้าขออนุญาตขอนุญาตค่ะหนูไม่ได้ลบดูนะเมื่อก่อนหนูเป็นแบบนี้ดี่ความฟุ้งของหนูเพราะหนูอยากสนุบหนูอยากมีอยากคอะไรหนูมาหมดทุกอย่างเลยค่ะหนูต้องขับขมาแต่วันนี้พอหนูม네ีสติปุ๊บนึก no ว่าไปทำเพื่ออะไร ความสงบทุกอย่างไปเจ็บตัวเพื่ออะไรนี่รนเพื่ออะไรทั้งเงินก็หมดแล้วได้อะไรสิ่งที่ได้มาคืออะไรมันคือความทุกข์ทั้งหมดเลยหนูหนูจะมีสตินะวันนี้ไม่รู้จกวิธีดับทุกข์ี่แท้จริงใช่ค่ะสติเนี่ยรอที่สุดนะโอเคนะถ้าดับพยายามจะรันสติแล้วมันใช้ปัญญาพิจารณาตายรักนะนี้จากทุกข์ขังนั้นต่ โอเคค่ะแลวเดี๋ไปดีท่านต่อไปคุณเชลินทนเป็นงาน ไ, าไปทางไหนนะตามคาถันไหมอาจารย์ค่ะหนูร <c oughs> ู้ <c oughs> สึกน้ำพัสการก่อนค่ะพระอาจารย์หนูรู้สึกว่าหนูยังต้องเข้ามาสนทนาธรรมให้พระอาจารย์ช่วยดึงสติอยู่เรื่อยๆอะค่ะ <c oughs> แม้ว่าฟ <c oughs> ังธรรมมานาน <c oughs> แต่โยมก็ยังพิจารณาอาการ32ทุกวันนะคะก็พิจารณาไปเลยส่วนส่วนเรื่องสติก็มีเดินจงกรมโยมโยมยออ่อนสติอีกแล้วค่ะต้องต้องทําสติให้เหมือนมากพุทธั้งวันพุทโธค่ะแต่มันก็มีพุทโธในใจผุดขึ้นมาระหว่างวันนะคะส่วนสมาธิก็ยังทําทําทุกวันค่ะพระอาจารย์แต่มันก็มีเรื่องเรื่องต่างๆที่มันค้างค้งอยู่ในใจแล้วก็ทําให้เรา มันมันไม่สมบูเต็มที่อะค่ะแค่ลด<ไ>ลงตรงงานงานมันการงานมันจะเป็นตัวโอปปสัตรตของการจเจริญสติเพราะเรากรจความคิดไปทำ ง, งาน <c oughs> อย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโยมก็ตั้งใจจะเข้ามากราบพระอาจารย์ก็มีงานเข้ามาแล้วเราก็ต้องเร่งแก้งานแก้งานให้มันผ่านผ่านไปมันก็เลยพอเสร็จแล้วก็ไม่ทนัน <c oughs> เข้ามาไม่ทันหรอพระอาจารย์โยมม็ถามคุณจิมว่าถามคุณจิว่าเรียนทางไปไหนโยมก็ไม่รู้เหมือนกัน นั่งฟังอยู่ข้างนอกตอนที่พระอาจารย์ถามถึงนะคะ่ะแล้วหนูก็อยากจะเข้ามากมันรู้สึกว่าเวลาที่ฟังพระอาจารย์จากข้างนอกกับการเข้ามาสนทนากับพระอาจารย์มันมันควา ม, มใ จ, ใจฟุไม่ถึงใจไนะมันไม่เท่ากันนะคะ <c oughs> พระอาจารย์ซึงแต่มันไม่ไม่เข้าไปถึงข้างในอ่ะคะ่ะพระอาจารย์ <c oughs> พอได้ฟังจากพระอาจารย์ได้ฟังที่พระอาจารย์อธิบายให้ทุกๆ ท, ท่านฟังแล้วเหมือนกับมันก็มันก็ เพิ่มความเข้าใจในในระดับลึกลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆโยมคิดว่าโยมก็ปฏิบัติได้พอสมควรกับอาจารย์แต่มันก็ต้องอาจจะต้องไปตามกำลังของเราก็แล้วกันนะครับค่มีบารมีไม่เท่ากันนั่นแหละารเมื่อกี้อาจารย์บอกอาจบางคนก็หลายเดือนหลายปีของหลวอาจจะต้องหลายชาติอย่าดึงขนาดนั้นเลยขอใหอ้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเถอะ แล้หนูต้องหยุดงานก่อนค่ะแล้วก็รอเวลาเดี๋ยวตึ้งเวลาก็ได้อยู่เองพอมันพร้อมแล้วมันทิ้งหมดนะไม่ต้องกลัวแล้วค่ะหนูหนูรอวันนั้นอยู่ค่ะหนูจริงๆแล้วหนูก็คิดว่าจะพร้อมแล้วค่ะติดแค่ลูกนี้แ่ะค่ะให้เขาให้เขวจบแล้วก็ก็ทิ้งได้แล้วช่วยเอาไว้ได้เขาหมดเวลาแล้วค่ะตอนนี้ก็เตรียมเตรียมทิ้งอยู่ค่ะทิ้ง mental ทิ้งไปทีลไรทีลอืรแล้วก็ ค่ะนอกนั้นหนูก็ไม่มีคำถามเหมือนเดิมค่ะก็ยังปฏิบัติอยู่ค่ะก็กรบพราจ์ขอให้ธาตุขันพระอาจารย์แข็งแรงค่ะขอบคุณมากอ่าสุกัญญาเชิญปาระตูนี่ยัม่ได้อยู่ลานเมื่อไหร่ใช่ไหมจุกัดด้วเปล่าแต่ลวันสักการ์ค่ะชื่อตุ๊กตาค่ะอยู่เฟสบุรคควันนี้มาเป็นผู้ฟังแล้วก็อ่า ได้ฟังได้ข้อคิดหลายๆอย่างแล้วก็อ่าอนุโมทนาศ า, ศาสตร์กับพี่คุณพี่สุขเราเมือม่อเมือ่อสักครูท่ที่ที่ท่านได้เข้ามาเป็นครั้งแรกค่ะคือเมื่อก่อนหนูหนูก็เป็นคล้ายๆท่านแต่ว่าแต่จะไม่ได้เป็นแบบอ่าไปถึงท่านนมยายหรือว่าดูลักหมออะไรค่ะมันไม่มีแต่ว่าเวลาที่มันจะเข้ามาทางทรรจริงๆอ่ะมันก็จะเข้ามาแบบนี้เลยนประมาณนะั้นแล้วเราก็รู้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องละแล้วก็อาจจะ ต้องไปบวชเช่นเดียวกันจะค่ะ mm hmm. ก็วันนี้จะมีคำถามมอยู่บ้างคือหนูมีความสงสัยผุดขึ้นมาในหัวว่าจริงๆแล้วโสดาพันน่ะมันก็เป็นกันง่ายแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่ายๆลยว่าหนูบางทีหนูหนูก็จะอ่านพัฒไตบิดกบ้างศึกษาค่ะอยู่บ้างอย่างเช่นโสดาพันอ่า อย่างเช่นพระนางาสุชาดาค่ะรรุโสรบาลตั้งแต่อายุเจ็ดขวบแล้วก็มีมีครอบครัวมีบุตรธิดาถึงยี่สิบคนหรือว่าภรรยานายพานนายพานล่าเนื้อค่ะที่ที่ก็เป็นโสรบาลเหมือนกันแล้วก็อยู่กินมีบุตรแล้วก็ยัง ยังเป็นโสดาบันไดหนูก็เลยสงสัยว่าอ่าโสดาบันเนี่ยเขาอยู่กับปุถุชนได้ปกติแล้วเขามีคติอ่าเช่นในเจ้าค ะ, ะเขาก็มีหลักอยู่คือเขายังไม่ทํำบาปเลกค่ะสองเขาจะไม่ยึดติดกับร่างกายของเขาเรารู้ว่าร่ากายไม่ใช่ตัวเขาของเขาขเขาไม่กลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตาย เขามีความมั่นคงในพระรัตนาตรัยไม่สงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าไม่จริงหรือไม่คสังส่งสั่งย่อทั้งสามข้ออ่านะนสมบัติของของพระโสดามันค่ะแล้วก็อ่าอย่างเช่นอของนายพานอ่ะเจ้าค่ะคือหนูหนูรู้ว่าเหมือนเป็นการรักษาใจเหมือนเหมือนว่านายพานอ่าของ นายพานเป็นสามีของของของภรรยานายพานนะคะที่เป็นโสดาบันาสามีเขาใช้นางไปหยิบอาวุธที่เป็นที่เป็นอาวุธที่ใช้ฆ่าสัตว์อะไรประมาณนี้ค่ะแต่แต่เมียนายพานนัะ้นะก็ก็เหมือนทำในใจว่ า, าเราจะทำตามคำสั่งสามีเท่านั้นซึ่งซึ่ง หนูหนูก็พอเข้าใจเพิ่งเข้าใจจากจากที่พระอาจารย์บอกว่าโสดาบันเขาจะไม่ทําบาปแล้วก็ไม่ทําปนาณิปปะแต่ว่าเขาคือเขารักษาจิตรักษาใจของตนโดยโดยที่จะไม่คิดไปในว่าอาอาวุธนี้จะเป็นการไปทําร้ายสัตว์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมเจ้าคะอ่ามันฤทธาเขาไม่ทําเองก็ไม่มีปัญหาอะไรคนอื่นจยากขอหยิบให้เขาไปทําก็เอาไปทําวันนี้เราก็ไม่บาปเนย มันก็ก็เหมือนแต่นะมันเหมือนดูจะเปรียบเหมือนประมาณว่าเมื่อเมื่อเหมือนมือมือเราฝ่ามือเราเป็นแผลแล้วเหมือนเราไปหยิบสิ่งของแล้วแบบเชื้อโรคเข้ามาถ้ามือเราเป็นแผลเราเราก็จะติดเชื้อโรคนั้นแต่ถ้ามือเราไม่เป็นแผลต่อให้เราไปไปโดนเชื้อโรคหรือว่าไปหยิบอะไรมือเราก็จะไม่ปอืยก็จะ เราอยู่กับคนทำบาปได้แต่เราไม่ไปทำบาปกับเขาเน่ยใช่จ้าค่ะแต่คนส่วนใหญ่จะไม่อยู่หรอกถ้าจะเป็นจริงก็เลิกกันดีกว่าอยู่ด้วยกันนะมันไม่จะเลยหรอกใช่<ต>ค่ะ<อ>ทุ ก, กทุกวันนอกจากว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมที่แยกกันไม่ได้ก็ต้องอยู่กันไปจ้าค่ะทุกทุกวันนี้ลูกลูกเองก็มีบ้างล่าสุดก็ก็มีมี ต้องชวนไปทานข้าวเพราะว่าอาจารย์หมอท่านพึง่งพึ่งเสร็จเคสส่วนหัวใจแต่ว่าหนูเองหนูก็บอกท่านตรงๆว่าพอดีหนูหนูเข้าซูมซูมอยู่เจ้าค่ะอาจจะต้องขอตัววันนี้ขอคงไม่ได้ทานมื้อเย็นแต่ปกติหนูจะไม่ทานไม่ค่อยทานมื้อเย็นอย่างน้อยหนูจะทานข้าวหนึ่งมือ้อหรือว่าสองมือ้อแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทานมื้อเย็นเจ้าค่ะยกเว้นยกเว้นแค่ ร่างกายรู้ว่าร่างกายหิวหรือว่าช่วงช่วงจังหวะที่ใกล้เป็นประจำเดือนอะไรประมาณนี้ยนหนูอาจจะมีทานข้าวเย็นบ้านเพราะว่าตามเหตุปัจฉัยจังหวะนั้นนั้น่ะเจ้าค่ะโอเควันนี้เวลามันจะใกล้จะหมดแล<ะ>้ววันนี้ไม่มีอะไรแล้วเจ้ค่ะขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอัะอาาออนนี้คุณชนะดาตอบคุณชนะดาสามนาทีนะต้องแบ่งเวลากันหน่อยมีอะไรไหม กลับนมัสการเจ้าค่ะไม่ไม่มีอะไรเจ้าค่ะพรอาจารย์เอเดี๋ยววันที่หกถึงเก้านี้จะขึ้นเขาค่ะพรอาจารย์เอาที่แล้วเหรอนางเอาไว้แล้วหอน้ อ, องไปแล้วค่ะแล้วก็ตั้งใจว่าจะกินแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวอะค่ะพรอาจารย์เดี๋ยวจะลดน้ำหนังมากขึน้นนะพระอาจารย์ทราบเลยว่ามีลมตาอ้วนกามีตามองเห็นเลย ค่ะพอาจารย์ก็ได้ค่ะมันไม่ตายหรอกไม่ตายมีประโยชน์อดอาหารสามวันหนึ่งจะได้มีสติสตางคดีขึถ้าไม่อดน้ำมันมันจะขี้เกียจมันจะไม่เขาอยากจะปฏิบัติเราอดน้ำมันมันทุกมันจะร่้งรีบปฏิบัติค่ะยังยังอดนอนไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย์ข้าวอันนี้นล้วแต่ใจเลยไม่ต้องมันจําเป็นใั่ไหมคะข้าวเราอดข้าได้แล้วก็ไม่ต้องอดอดนอนก็ได้แต่เคนไม่เหมือนกัน ค่ะค่ะพระอาจารย์แล้วก็พอดีเป็นเหมือนจะทอมซินอักเสบนิดหน่อยแต่ว่าจะไม่ยังไม่ไปหาหมอค่ะเดี๋ยวไปภาวนาก่อนแล้วค่อยว่ากันนะคะก็ไปลปล่อยมันไปก่อนค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะได้ค่ะธรรมะอาสดใช่ธรรมะอสดค่ะพระอาจารย์ค<ม>่ะพระอาจารย์จะลองดูค่ะพระอาจารย์พิจารณามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ด่าของมันเองค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกสนุกอยู่ค่ะพระอาจารย์ก็ดูดูดูมันดูมันอะไรเงี้ยค่ะ ไปที่ท่านตอบไปขอบคุณค่ะพาา ร, ระอาจารย์คนแปลว่าอะไรสีรัชาสามมาสักการณก็ค่ะไม่ไม่มีคําถามจะ้าค่ะเรียนเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติค่ะยังคนฝนต่อคุณฝนแช่มีอะไรอ า, ารยค่ะพระอาจารย์ก็อืมไม่ได้ค่ะก็ไม่ไม่ไม่ได้มีคําถามอะไรค่ะพระอาจารย์เพียงแต่ว่าไม่ได้เข้ามานานก็เข้ามากราบพระอาจารย์ด้วยค่ะแล้วก็มาเรียนว่า ตอนช่วงนี้ก็นั่งเวล า, านั่งสมาธิเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้ต้องใช้เสียงธรรมช่วยเหมือนเมื่อก่อนแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าจะใช้เป็นลักษณะว่าสวดอิติปิโสในใจอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่านั่งได้ดีขึ้นนะคะก็พอพ อ, พอใจมาจดจ่อกับอิติปิโสว่ะค่ะแล้วก็เลยทาให้ระยะเวลาการนั่งก็นั่งได้ยาวนานขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงเจ้าสาวพระอาจารย์พยายามฝึกษษษสติและหลงม<อ>ง<ๆ>ันไปด้วยจะได้นั่งได้นานขึ้น ต้องถะอาจารย์ก็ตื่นมาก็พุดโทเจ้าค่ะก็คือคือของของหนูเนี่ยยังสิ้นให้ยังโอเคแต่ว่าอย่างที่บอกก็มันชอบชอบไปทางรูปเสียงที่ลดผลทพ้ามากกว่าเจ้าค่ะก็ก็เป็นไปทางนั้นอะไรย่งค่ะก็ต้องฝึกอดีตแบบนั้นคมันจะเกให้มากก็มันจะมีกําลังหยุดได้ค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็กลับเย็นพระอาจารย์สั้นๆเท่านี้เจ้าค่ะพอาจารย์เยวค่ะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะไบที่กง คุณจ้าไล่ไปสองอาทิตย์เหมือนกันนะนะนึกเข้ามาแต่ไม่ไเปิดก็แบบนวมส ก, การคะาา่ะอาจารย์ไม่ได้เข้าค่ะพอดี <c oughs> ไปทําหน้าที่ลูกสาวมาค่ะก็ <c oughs> กินยี่อื่นแล้วก็นินไปครัาใช่ค่ะอืแล้วก็เมื่ออ <c oughs> จริงจริงก็กลับมาแล้วแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วลืมค่ะว่าอาจารย์ <c oughs> มัวแต่ตั้งใจทํางานจัดแล้วก็ จริงๆหนูตื่นวัตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันพุธที่แล้วอ่ตื่นตั้งแต่แบบตีห้ากว่าๆเพราะมันยังเจตหลักอยู่ใช่ไหมคะแต่ไม่รู้ทําไมแบบไม่ไม่ได้แม้แต่จะติดอยู่ในหัวเลยว่าจะต้องเข้าซูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งมันรู้ตัวอีกทีก็คือแปดโมงเช้าของหนูนะคะซึ่งก็คืออีกประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีมันก็จบแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยอ้าไม่เป็นไรก็ฟังเทปแต่ว่าวันนี้ก็เลยไม่ลืมค่ะกลับมาตารางเดิมแต่ทีนี้หนูจะกลับไทยอีกค่ะวันที่สิบแปดนี้ค่ะ กลับมาชั่วคราวกลับมาประมาณสองเดือนค่ะแล้วก็หนูตั้งใจตอนแรกตั้งใจว่าจะไปออ่ไปอยู่ไปอยู่ที่วัดแต่ค่ะเห็นคนเขาเอพูดกันถ้ายังไม่เคยอยู่ต้องอยู่ข้างล่างก่อนถูกไหมคะยังขึ้นเขาไม่ได้อ๋อได้ถ้าเรารู้วิธีปฏิบัติเราก็อยู่ได้มันอยู่ที่ว่าเราเคยเคยฝึกหรือไม่ถ้อยู่ อ, อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องไปทำพิธีการมอะใจก็อยู่ก็อยู่ได้เพราะมันมืนก็บเป็น ก็อยู่คนเดียวปฏิบัติตามลำพังไม่มีไม่มีการนงบทเช้าเย็นอะไรทั้งสิ้นค<ช>่ะก็คือแค่เพื่อรับประทานอาหารแล้วก็กลับขึ้นไปอย่างนี้เฉยๆอาหารก็จะมีตั้งไว้ในในห้องอะไรก็ได้มีมีตู้เย็นมีมีเตาอบมีไ ม, มโครเวฟหรือก็มีคนก็ส่งอาหารให้มีแม่ครัวจัดอาหารส่งให้ทุกวันก็ได้ Okay. ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปเจอใครเลยให้ไปปีกไม่เวกอยู่คนเดียวเข้าใจแล้วค่ะทีนี้หนูยังไม่ได้คิดด้วยความที่หนูไม่ไม่ไม่สามารถเดินทางหนูไม่ขับรถใช่ไหมคะเวาลากลับไทยก็ต้องอาศัยพี่สาวไปส่งทีนี้หนูก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้าหนูไปอยู่ที่วัดยานเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเจ็ดวันเพราะว่าพี่สาวก็จะต้องส่งหนูเสาหนึ่งแล้วมารับอีกเสาหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งหนูก็แบบกังวลว่าเจ็ดวันแล้วแบบทุกวันนี้อยู่ที่บ้านยังปฏิบัติ ยีิบสี่ชั่วโมงไม่ได้เรายู่ๆจะไปอยู่เจ็ดวันจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยเอเหมือนเมื่อประมาณอาทิตย์เลยสองอาทิตย์ที่แล้วมั้งคะมีท่านหนึ่งพูดถึงอ่าวัดชื่อวัดป่าสุขใจใช่ไหมคะของพระอาจารย์สังใช่ที่นั่นก็ได้ที่นั่นก็อยู่สามวันก็ได้ใช่แล้วใกล้บ้านที่สาวกว่าเยอะเลยก็บีเราไปที่นั่นก่อนก็ได้อืเราอยู่ใหม่หัดขับอยู่ก็อย่าเพิ่งไปขึ้นทางด่วนนะพยายามไป แลคือสิ่งที่หนูคิดว่าหนูละไม่ได้คือเรื่องงานนะคะคือหนูกลัวแบบถ้าจะไม่ตอบอีเมลลูกค้าเลยหนูหนูว่าหนูจะกังวลแต่ว่าวัดป่าสุขใจไม่มีไฟฟ้าหนูก็มันก็บังคับไปในตัวก็แมสามวันเองจะเป็นไรไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยกำลังคิดตอนนี้คิดอยู่เขาว่าน่าจะเป็นลองไปลองที่วัดป่าก่อนวันป่าสุกใจดีดนะ เราต้องรู้กำลังของเราแล้วที่ไหนเหมาะกับกำลังของเราแล้วก็ไปนอนที่นั่นเลยค่ะทีนี้ความยากอะค่ะพาร์ตาหนูทุกวันนี้เวลาหนูนั่งสมาธิหนูสังเกตว่าความยากของการที่จะสร้างสติคือไอาการจับพุทโธเนี่ยมันเป็นความเบื่อขึ้นมาง่ายมากว่าแบบโอ๊ตแบบเวลาผ่านไปช้าจังเลยแล้วพุทโธพุทโธสักพักใจมันจะอยากไปคิดอย่างอื่นแล้วมันก็อาอยากทีไ่ได้ไ อาการสามสิบสองก็ได้อาการสามสิบสองอ๋อคือไม่ไม่เป็นไรถ้าจะเปลี่ยนใช่ไหมคะค่ะถ้าเบื่อเบื่อก็เปลี่ยนได้ผมขนเนื้อฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอนิจจังทุกขังอนัตตาไปก็ได้พุทธังธรรมังสวรรคนางกระฉามมีไปก็ได้ขอให้มีอะไรทําเพื่อจใจยันได้ไม่ไปคิดเรื่องนึงเรื่องนี้โอเคค่ะอันนี้คือสําหรับผู้เบื้องต้นที่ยังไม่สามารถจะเราไม่สามารถนั่งสมาธิดูลงได้ก็ใช้อย่างนี้ไปก่อน ค่ะโอเคหนูกลัวว่าถ้าจะเปลี่ยนเแล้วมันจะทําให้เหมือนอไม่เกิดเป็นความสงบหนูก็เลยเอามันไม่สง บ, บอยู่แล้วเบื้องต้นเพราะต้องใช้วิธีอยแบบนี้มาช่วยให้มันลดความความฟุ้งซ่านลงเอามันสง บ, บอพอดูลมได้แล้ว เ, เ, รเราค่อยมาดูลมอย่าง เ, เดียวต่อไปเข้าใจละคะ่ะ เ, เดี๋ยวลองมาอต่ทุกวันนี้หนูพยายามอน้องจะแมทกับจัตตี้อะค่ะหนู เ, เห็นว่าแบบ ยังเป็นเด็กกันอยู่เลยยังนั่งได้ยังไงตั้งวัน <ừ. S 2> อย่างทุกวันคร <ừ. S 2> ึ่งชั่วโมงอย่างน้อยอะไรอย่างเงี้ <ừ. S 2> ยหรือว่าเราโตขนาดนี้แล้วห้ามใจตัวเองไม่ได้จริงๆหรอแค่ครึ่งชั่วโมงเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่การฝึกฝนอบรมได้ใช่ค่ะเหมือนมั น, ม, น, ม, นมันลดลงไปเรื่อยๆแต่เคย <ừ. S 2> เคยนั่งได้เป็นหลักชั่วโมงแล้วยู่อยู่มามันก็ค่อยๆหายไปแต่ตอนนี้หนูก็พยายามเอามันกลับมาอีกรอบค่ะได้ ก็ยังฝึกสติระหว่างวันด้วยจะช่วยได้ตื่นขึ้นมนก็พุทโทพุทโทไปส่วน้องไปที่ไม่สวยไปก็ได้น่าแต่โดยที่เราไม่ต้องอยู่ใช้ชีวิไปถึงอาบน้ำน้างหน้าไปฟันแล้วก็พุทโทก็ได้ส่วนนอยไปก็น่า อันนี้ยชอบลืมชอบลืมค่ะนุ๊บางทีหนูจะเริ่มต้นตั้งใจว่าจะทําเสร็จแล้วแป๊บเดียวเองอะ่ะมารู้ตัวอทีคือแบบทานข้าวเสร็จแล้วอย่างเงี<ม>้ยแ <laughs> <ม>อ้า<ม>หายไปไหนหมดเลยที่คิดไว้ว่าจะทําเป็นไม่มไม่เคยทำมันมันก็แรงเ ล, ล็ค่ะโอเคเอาง่ายๆนะค่ะเราตั้งขึ้นมาเริ่มต้นในสติก่อนเลยเุยกนั้งแต่ผมลืมตาขึ้นมาเสียงเงาต้องพูดโทรก่อนเลยนะ แล้วหายไปก็ไม่เป็นไรคอยนึกเกมำได้เ ม, ม, มืนนมนนม่อไรก็จำได้เมื่อไำด้่ะรว่ากิเลสมันดึงไปถึงกิเลสลาไปใค่ะสติก็ไม่มีกิเลสก็หนาไม่เป็นไรใหม่ๆก็อย่างนี้ใช่ไมทำ<อ>มาเรื่อยแล้วสติมันก็จะมีกาลังเพิ่มมากขึ้นค่ะโอเคนะค่ะาตุกขอบคุณมากค่ะทาแข็งแรงขอบคุณแอนต่อทุก่ เป็นเข้ามาตอนต้นแล้หายไปแล้วปวดตัวไปเลยอันนี้ไม่ได้กราบหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูนั่งดูอยู่ตั้งแต่ต้นเลยค่ะอันนี้อยู่ที่ไหนยังอยู่กรุงเทพอยู่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะจะไปทํางานค่ะอืเข้ามารายงานตัววันไหนเข้าได้ก็จะจะจะพยายามเข้าให้ได้ทุกวันพุธอะค่ะ ม, มานั่งฟังทุกท่านฟังคําสอนของหลวงพ่อด้วยคําตอบ มีประโยชน์กับรูเหมือนกันค่ะไม่มีอะไรค่ะหลวงพ่อก็กลับมาก็ไปรอบนี้ถือว่าถือ ว, ว่าคุ้มค่าสามวันค่ะก็ได้ได้เขาเรียกอะไรนะมีตัวอย่างให้กลับมาใช้งานสิ่งที่ได้เห็นนิดนิดหน่อยหน่อยมีโอกาสได้กลับมามามามาไว้สอนตัวเองว่าทํายังไงให้ให้ได้สภาวะอย่างนั้นอีกอะไรเงี้ยค่ะแต่ อ, อยู่สามวันก็ได้ได้เรียนรู้อะไรมาบ้างนิดหน่อย พ่อลวงพ่อยค่ะคำสอนของคลวงพ่อด้วยค่ะก็พยายามมาบ่อยๆถ้ามีเวว่าลยทำไปค่ะเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอาจจะถ้าถ้ามีเวลาจะไปอาจจะหาเวลาที่แบบสามวันได้อยู่สามวันจะไปจะไปเพราะสามวันรู้สึกว่ากําลังกําลังดีอะค่ะอย่างอย่างไปนอนที่วัที่วัดจะรูหรู้ไม่มีปัญหาเรื่องการกินอาหารมือเดียวเพราะว่าผมเองก็เป็นคนไม่ได้กินแบบ กินเป็นเวลาอยู่แล้วค่ะมันก็เลยไม่มีไม่มีปัญหาเรื่องความหิวแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องความง่วง <c oughs> นิวอนมากกว่าตรงเรื่องความง่วงเนี่ยค่ะ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวจะพยายามหาเวลาไปอีกแล้วก็ไปนั่ง <c oughs> ไปนั่งอปฏิบัติที่หน้าสุสีหลวงพ่อหนูว่าหนูหรือว่ามันมันสงบดีค่ะตรงนั้นวันวันไหนที่มีมีหลวงพ่อเทพทำมาหนูอาจจะแบบก่อนก่อนนี้เทศหนูอาจจะขอไปนั่งตรงนั้นอีก <c oughs> ที่นั่งก็สงบพักสงบค่ะรู้สึกนั่งแล้วแล้วแล้วได้ได้สมาธิจากตรงนั้นนะคะครั้งเป็นครั้งแรกตอนที่ที่ไปปในแล้วก็มันเหมือนกับว่าวันนี้หนูกลับมาหนูเลยรู้สึกว่าเนี่ยหนูยังจำสภาวะตอนนั้นได้ก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยต้องพยายามฝึกฝึกต่อไปให้ให้ให้ให้ต่อเนื่องจะได้จะได้ยังไม่ลืม แล้วก็จะได้พอจะได้รู้ว่าจะได้อย่างนั้นตรงจะได้สภาวะย่างนั้นอีกไหมอะไรเงี้ยค่ ะ, ะเวลาทําอย่าไปคิดถึงมันนะเวลาทําต้องเริ่มต้นใหม่อยค่ะเราไม่สติอยู่กับลมอยู่กับพุทโธหไป<า>อย่าไปคิดถึงผลที่เคยได้ในอดีตเราประหยัดนล้วพอประหยัดแล้วมันจะไม่ได้ตอนนี้รู้สึกว่าอยู่กับพุทโธได้ง่ายขึ้นแล้วก็พอพอพ อ, พอแบบไม่มีสไม่มีสติอ่ะค่ะพุทโธก็จะขึ้นมาในใจหนูได้ง่ายขึ้นแบบว่าเหมือนกับ ลืมพอจะเริ่มสติอไม่มีสมาธิเงี้ยค่ะแบบคิดอะไรถึงคนนู้นคนนี้หรือคิดถึงเรื่องคนอื่นก็จะแบบพูดโทรขึ้นมาเลยก็ mm hmm. ช่วยดึงสติหนูได้เยอะค่ะตอนเนี้ยแล้วก็เห mm hmm. มือนที่คุณท ท, ที่หลวงพ่อบอกว่าเออ่สมาธิเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องไปกํากับเวลามันว่าต้องนั่งเช้าหรือเย็นอะไรเงี้ยพอตอนนี้พอหนูกลับมารอบเนี้ยหนูแค่มีเวลาห้านาทีสิบนาทีอะค่ะ mm hmm. นั่งเฉยเฉยหนูก็แทนที่จะมานั่งไถไถไถมือถือหนูก็ หลับตาแล้วก็ลองลองภาวนาพุโทโธพุโทโธดูเอาให้ให้มันอยู่กับตัวค่ะดีไมเป็นไรมากเมื่อไหร่ก็ภาวนาไปเลยนั่งสมาธิไปเลยค่ะได้ค่ะจะพยายามพ<ม>ัฒนาต่อไปค่ะหลวงพ่อวันนี้ขอบพระคุณหลวงพ่อมากเลยค่ะอ่าสาดีอ่าคุณจี๊จี๊บแวิแลน สลิงทาจช่ปนะพะอาจารย์พระอาจารย์ได้ยินนะคะได้ยินชัดเจนค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะด่าสบายดีค่ะมืช้าวันนี้รู้สึกว่าพระอาจารย์พอวันนี้ฟังมันเป็นหลายเรื่องที่ครอบคลุมมากเลยค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่ธาตุขันยันปัญหายันแบบปฏิบัติโหยมแบบเออวันนี้มันเป็นวันที่ดีจริงๆเหมือนที่โยมสรินทรนบอกว่าเราต้องเข้ามาบ่อยๆถ้าขาดการเสียงพระอาจารย์มันเหมือนแบบว่าออกนอกข้อไปหน่อย อาจารยหลอกการพน่ารมเป็นมงคลอย่างยิ่งใช่ค่ะพระอาจารย์มันคื อ, อสิ่งที่สุดยอดแล้วจริงๆค่ะอเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในความมงคลนี่มันคือสิ่งที่ดีจริงๆค่ะอาจารย์ค่ะก็ขอบคุณพระอาจารย์ค่ะวันนี้ยมไม่มีคำถามค่ะฟังแล้วก็สงบก็จะไปปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ขอ <Okay. S 2> พระอาจารย์ทัดขันแขน็งแรงนะเจ้าค่ะก็ยังอยากให้พระอาจารย์ทัศดขันที่อยู่ยาวนานอยู่เหมือนเดิมค่ะ โอเคสาธุค่ะคุณอนพีเชน ะ, ะน้าคุณาวันนี้มาสุดท้ายเลยนะกลาวนมัส ก, การ์ค่ะพระอาจารย์นอนองสน้องน้าคุณค่ะพอดีว่าหนูมาบิ i ิ e s s ท r i p ที่เวียดนามค่ะสองวันน้วคุณอยู่ที่ไทยให้เพื่อนเขาบอกให้เพื่อนที่ดูเขาอยู่อะค่ะ เท่าหาพระอาจารย์ให้เขาบอกเขาอยากกลับพระอาจารย์เขาไม่มีคําถามแต่เพื่อนเท้าไม่ได้ไม่ทราบเป็นอะไรเหมือนกันคะ่ะอาจจะเป็นชื่อแปลกเขาเลยไม่ได้เขา้าอ๋อค่ะเขาก็เลยหลับไปค่ะก็เลยมากลับพระอาจารย์แทนให้ค่ะโอเคยังสงสั ย, ยวันที่ไม่เท่าม า, าเขาพยายามเข้าไปก่อนอสองทุ่มบอกไปบอกเพือ่อนก็บอกว่าเข้าไม่ได้พอดีหนูยังมีทานเลี้ยงอยู่ก็เลยอ๋อโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปพระอาจารย์หลังจากทานเลี้ยงเสร็จค่ะอื ถ้าเวลาบอกราหลวพ่อฝากความคิดถึงให้เขานะขอบพระคุณค่ะพระอาจาร ย, เยนะ์เคดี๋ยวเดือนเดือนนี้เดี๋ยวหาโอกาสไปใส่บาตรพระอาจารย์แล้วก็ไปฟังธรรมที่กุฏิค่ะอ่าเชิงค่ะการนมัสการค่ะพระอาจารย์าสาธุวันนี้ไปที่คุณดาเอาคำถามทางบ้านมากล่านวนมัสการค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามจากทาง facebook และ y o u ูทูบเจ้าค่ะ คำถามแรกจากคุณ VS v ีเอวีอุเบกขาเกี่ยวข้องกับวิปัสสนาอย่างไรครับ อ, อ๋อไม่เกี่ยวหรออุเบกขามันเกี่ยวกับสมาธิอุเบกขามันได้จากการทําใจให้สงบนั่งเป็นสมาธิได้ก็จะมีกําลังที่จะต่อสู้กับกิเลสต่อไปเวลาใช้ปัญญาคือวิปัสสนาถ้าใจไม่มีอุเบกขาจะสู้กิเลสไม่ได้ คัถามต่อไปเมื่อทำสมาธิได้แล้วถึงเวลาที่จิตเริ่มถอยออกมารับรู้ถึงความคิดจะมีเกณฑ์อะไรที่ใช้วัดว่าเราควรกลับเข้าไปในสมาธิใหม่หรือเริ่มวิปัสสนาได้เลยครับเ็ื่อสลับกันทำเวลาอยู่ในออกจากสมาธิมาก็มาออกจากสมาธิก็มาพิจารณาทรมปัญญาวิปัสสนาตายรัตทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา ถ้าพเราพิจารณาแล้จิตนั่งฟุ้งซ่านมันก็หยุดนั่งล้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่สหรับกันไปคุณถามสุดท้ายการทําวิปัสสนาต้องอาศัยสัญญาในการคิดพิจารณาแต่ก็มีปัญญาที่สามารถเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องใช้สัญญาพิจารณาใหม่ครับถ้ามีแเราคนมนุษย์ทำไปนานแล้วเนี่ย มันไม่มีเราเลยต้องอาศัยคำสอนพนระ พ, พุทธเจ้ามีรู้จักพระพุทธเจ้าก่อนมันถามหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคถาก็คิดว่าพอดีหมดเวลาพอดีจมเกลียงเลยก็ขอให้ท่านจรงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไพ้พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าเลยทำยิ่งขึ้นไปเออ